นำมัส ก, การพระคุณเจ้าครับพี่น้องมวลมหาประชาชนในความหมายที่มีใจผูกพันอยู่กับการต่อสู้เห็นด้วยนะครับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่ได้เรียกตัวเองว่ามวลมหาประชาชน มีใจเห็นด้วยบางเรื่องไม่เห็นด้วยบางเรื่องและกระทั่งพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างจากมวลมหาประชาชนเลยครับผมกล่าวถึงท่านทั้งหลาย เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ครับแล้วอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายที่ผมเรียกทั้งหมดนี้นะครับได้เข้าสู่การเรียนรู้ร่วมกันครับปรากฏการการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากในระยะสองสาเดือนที่ผ่านมาเป็นปรากฏการณ์พิเศษนะครับหลายหคนคงเข้าใจถึงความพิเศษของมัน ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณของคนที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการของความต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมด้านการปฏิรูปสังคมอย่างถึงรากถึงโคนนะครับปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เชิญชวนให้เรามีโอกาสหันมาไต่ตรองตัวเราเองครับว่าเราคิดยังไงกับปรากฏการณ์นี้ซึ่งผมเชื่อว่า ความเห็นที่อยู่ในใจเราเนี่ยจะมีความแตกต่างหลากหลายมากนะครับตั้งแต่เรื่องแนวทางการต่อสู้ของมวดมหาประชาชนไปจนกระทั่งท่าทีหรือกิจกรรมบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในการต่อสู้หรือแม้กระทั่งผลสะเทือนที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการต่อสู้ดําเนินไปอีกสักระยะหนึ่ง สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาในใจเราอยู่ตลอดเวลานะครับและผมเชื่อว่าเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรมถึงในบ้านเรานะครับมีบ้านไหนครับภรรยาคิดทางหนึ่งสามีคิดทางหนึ่งครับมีไหมครับช่วยยกมือแสดงความคันยกมือเห็นให้ดูหน่อยนะครับ อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วความเห็นต่างแม้ในบ้านนี่นะครับเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญครับผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับที่เป็นเป็นหมอเพื่อนเป็นหมอนะครับหมอหมอด้านจิตเวชเขามีภรรยาแล้วมีลูกสามคนเขาก็าออกมากับผมอยู่เรื่อยนะไปเวทีบ้างไปร่วมประชุมแล้วก็ ช่วยคิดอ่านเกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชนบ้างก็ถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เขาหัวเดียวกับเทียมรีบแต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันสนทนากันบ้างนะครับแม้ว่าจะเห็นแต ก, แ ต, กต่างกันบ้างแล้วบางครั้งก็เวลาไปที่ชุมนมบ่อยๆก็อาจจะโดนทุ้งติงว่าไปอีกแล้วไปอีกแล้วอย่างนี้นะครับบรรยากาศที่ ความแตกต่างทางความคิดอันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่ชวนให้เวทีที่จัดวันนี้เนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราได้เรียนรู้ปรากฏตการนี้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเนาะไม่ถูกแรงกดดันของสถานการณ์เหตุการณ์หรือกระทั่งความสูญเสียมาเป็นตัวกดดันหรือมาเป็นตัวเร้าอารมณ์เรานะครับแต่ ถอยห่างออกจากเรื่องนั้นแล้วก็มาตั้งสติกันในที่แห่งนี้นะครับงานครั้งนี้น่าชื่นชมมากว่าเป็นการจัดขึ้นโดยความริเริ่มของกลุ่มผู้ปกครองจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเห็นด้วยว่านี่เป็นโอกาสทองที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกคิดแล้วคิดอีกกับเรื่องนี้ไปร่วมบ้างไปไม่ได้ไปร่วมบ้าง ก็ให้ประสบการณ์และการคิดเหล่านั้นเนี่ยช่วยเติมต่อยอดตัวเราขึ้นมาเรื่อย ๆ, อยๆจนเรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการที่จะมองปรากฏการณ์นี้อย่างละเอียดนะครับและวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่พร้อมที่จะมาร่วมเรียนรู้กับเรานะครับท่านแรกเป็นราชรัศดร อ, อาวุโสอายุ90กว่านะครับเป็นผู้ที่ผ่าน การเมืองมายาวนานที่สุดเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากที่สุดแล้วก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ให้หลักคิดทางสตรีปัญญาให้ข้อเตือนใจมาตลอดนะครับพวกเราให้เกียรติต้อนรับศาสตราจารย์ระพีสาคลิกครับ ท่านที่สองครับเป็นบุคคลที่นิยามตัวเองท่ามกลางมวลมหาประชาชนว่าเป็นผู้ที่มองโลกสวยมาก่อนครับและเป็นบุคคลที่ได้พาตัวเองผ่านประสบการณ์การมองโลกสวยมาสู่การมองการต่อสู้ที่ชัดตรงยิ่งขึ้นโดย ร่วมอยู่กับเวทีกปปสอสองครั้งแล้วนะครับแล้วสาระที่ได้ส่งผ่านไปถึงประชาชนเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดที่เป็นตัวของตัวเองในการมองการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนมองทั้งด้านบวกและด้านลบของการต่อสู้ มองทั้งด้านบวกและด้านลบของแคนนําการต่อสู้เชิญพวกเราต้อนรับอาจารย์สมเกียรติอ่อนิมนต์ครับแฟนเยอะนะผมบอกแล้วว่า เวทีนี้เป็นเวทีการเรียนรู้ครับผมชื่นชมการเชิญบุคคลของผู้ปกครองกลุ่มนี้จริงๆเชิญคนที่มองอะไรเป็นองค์รวมได้ดีมาก <c oughs> ท่านที่สามครับเป็นท่านที่อยู่กับการเรียนรู้ของชุมชนและสังคมมายาวนานนะครับเป็นคนที่มีส่วนริเริ่มสร้างห้องเรียนโดยธรรมชาติของผู้คนในสังคมจานวนมากนะครับ ให้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้โดยไม่ต้องติดขัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเปิดห้องเรียนทั่วประเทศในนามของมหาวิชาลัยภูมิยาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆเข้ามาร่วมเรียนรู้ท่านมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นคนรุ่นเดียวกับคนรุ่น14ตุลานะครับ แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาอย่างยาวนานด้วยเหมือนกันอีกท่านหนึ่งปรากฏการณ์อันนี้ในมุมมองของท่านเห็นว่ามันจะไปสู่ทิศทางไหนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับที่เราจะได้ฟังบุคคลที่อยู่กับชาวบ้านอยู่กับชุมชนประสบการณ์อันยาวนานที่ซึมซับปัญหาและความต้องการของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นตัว ที่เป็นฐานการคิดที่ดีในการมองปรากฏการณ์เชื่อมโยงกับมวลมหาประชาชนครับเรียนเชิญพวกเราได้ต้อนรับอาจารย์อนเอกนกะนะครับุตรครับท่านสุดท้ายครับเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทําเรื่องการเรียนรู้มาตลอดชีวิต แล้วก็ใช้ทักษะอันนี้มองปรากฏการณ์ของมวลมหาประชาชนอย่างชัดตรงมากจนถึงขั้นว่าจะทำยังไงให้ปรากฏการณ์ที่วิเศษอันนี้เนี่ยเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงของคนที่มาเข้าร่วมของคนที่คิดอ่านกับเรื่องนี้กระทั่งของคนที่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ท่านจึงได้มีส่วนช่วยออกแบบกระบวนการวิธีการต่างๆนะครับที่จะปลุกเร้ากระตุ้นให้การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมีในยักษ์สำงัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ออผู้ผู้นั่งฟังแกนนำหรือวิทยากรบนเวทีเท่านั้นแต่สามารถที่จะแสดงออกซึ่ง ความต้องการและความคิดอ่านในการร่วมปฏิรูปประเทศและได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วนะครับในการทำงานด้านนี้ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าจะเป็นสิ่งที่จะได้มานำเสนอให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าห้องเรียนที่วิเศษที่สุดในที่ชุมนุมเนี่ยกำลังเกิดขึ้นแล้วและกาลังสร้าง พลัเมืองที่มีคุณภาพครับขอเชิญพวกเราได้ต้อนรับท่านอธิการบดีสถาบันสมศินครับอาจารย์ประพาพัฒนิยมครับผมมาช่วยดูยเรื่องรายการนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันสมศิน์ครับผมชื่อสุรพลธรรมร่มดีครับ แล้วก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนตั้งประเด็นแล้วก็อภิปรายบางส่วนด้วยถึงความเห็นของผมต่อปรากฏการณ์นี้ด้วยนะครับในการสนทนาในวันนี้นะครับจะเริ่มการสนทนาจากผู้อิปรายทั้ง4ท่านท่านละ10นาทีนะครับให้กระชับเป็นจุดเริ่มต้นเสียก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่มานั่งฟังเนี่ย ถ้าฟังนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าจะสมาธิเสียได้นะแม้ว่าเรื่องราวจะเร้าใจมากๆ ก, ก็ตามเราจะให้ท่านนังหลายได้ฟังช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณสักสี่นาทีสี่ห้านาทีโดยประมาณนะครับจากนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมอภิปรายด้วยอย่างน้อยประมาณสักห้าคนนะครับห้าคนแล้วเราจะกลับมาที่เวทีอีกแล้วอภิปรายรอบที่สองนะครับ กระบวนการแบบนี้ก็เชื่อเพื่อที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสได้มีสมาธิฟังกับฟังสาระจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการนําเสนอและคิดกับมันอย่างลึกซึง้งแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมอภิปรายด้วยนะครับผมอยากเริ่มต้นการอภิปรายจากอาจารย์ระพีสาคริกครับที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ของมวลมหาประชาชนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยังไม่ผมขนาด ใกล้ชิดอาจารย์อยู่นะครับเห็นอาจารย์เดินผ่านไปผ่านมาแถวอาสมศิลป์บ้างแต่ยังไม่เคยโอกาสฟังท่านจริงๆสัทีว่าท่านคิดยังไงกับปรากฏการณ์นี้นะครับนี่จะเป็นโอกาสที่สําคัญงั้นขอเรียนเชิญอาจารย์ได้อภิปรายเลยครับท่านคิดยังไงกับปรากฏการณ์มวลมหาประชาชนครับกราบเรียนท่านอาจารย์กราบกราบนมัศการพระคุณเจ้าลูกหลานทุกค น, กก น, กคนวันนี้ เป็นโอกาสดีที่ว่าเรามาคุยกันเรื่องอะไรสักอย่างซึ่งบางทีเนี่ยเราก็มามองไม่ค่อยเห็นกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยใครเคยได้ยินเรื่องพุทธธรรมนายบ้าง เพราะเอิดมันมาตรงกับวิชาสิติที่ผมต้องเขียนเมือเร็วๆเนี่ย degree of freedom เท่ากับเอ็นลบหนึ่งคืออะไรคือไซเคิลของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างถึงแม้มันจะมีอะไรสไลก์มาอย่างน้อยหนึ่งหน่วยมันต้องเหลือแล้วก็ต่อไปวงใหม่ เมื่อสองทวันนีนะมีอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนสถิติอยู่ที่นิวยอร์กแล้วมาสัมภาษณ์ผมผมบอกว่าสถิติไม่ใช่คณิตศาสตร์แต่สถิติเนี่ยเป็นฟิโลโซฟีคนมองไม่เคยเห็นตรงนี้นะบางที เราเดือดร้อนหนักเราก็ยังไม่เคยเห็นอีกนี่เลยเราฉลองวันเกิดกันเยอะแ ย, ยะเลยเดี๋ยวก็คนนั้นวันเกิดคนนี้วันเกิดแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าเราฉลองวันตายบ้างเลยนะถ้าเราฉลองวันตายได้เนี่ยก็สร้างความดี แล้วเราจะได้ไม่เกิดมาอีกมันก็จบชีวิตเท่านั้นเองชีวิตก็คือชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตมาสร้างสิ่งผูกพันให้กับเราปากแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยตายแล้วก็ไปไม่ได้เหรอเกิดมาก่อมาตัวเปล่าก็เสร็จแล้ว เวลาทำเราไม่ได้ทำจริงนะเมื่อกี้ยังคุยอยู่ลองสิหยุดนิ่งไม่คุยกันแล้วปฏิบัติทำในสิ่งที่เรารักจะทำนะทุกอย่างมันก็เข้าใจได้อะไม่ยากนะ มันออกมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเมื่อคืนผมนั่งเขียนอะไรอยู่เนี่ยในสื่อเล่มเนี่ยเกือบจะตั้งเล่มเลยนะฮะผมพูดทือเรื่องของวิธีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักกี้ยังคุยกับท่านอาจารย์อยู่เรื่องว่ากรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเป็นทะเลมาก่อนใช่นะ เราขุดลงไปสิสิบว่าเม็รเท่านั้นแหละนะเราจะได้แร่อย่างหนึ่งที่คนเรียกวิปซัมรูปร่างมันเหมือนขอนมใปปูนอ่ะทัแหลมเป็นเกิดใสๆมันทำให้เกิดดินเหนียวขึ้นนะแล้นี้ที่สุดดินเหนียวเนี่ยแก้ด้วยอะไรรู้ไหมแก้ด้วยปูนขาวใครปลูกต้นไม้แล้ว รู้สึกว่าดินมันเหนียวพรวนไม่ก็ได้หาปูนขาวมาพรวนลงไปที่สองที่ทั้โอ้ถึงนี้ฟันจอบง่ายเลยเนี่ยแค่นี้ปูนขาวมันก็ถูกไม่ต้องไปซื้ออันที่ไหนในบ้านเราก็มีใช่ไหมเนี่ยนะของลหลายอย่างเราเรียนรู้ได้อ่ะนะแต่พอในที่สุดแล้วเนี่ย พอถึงวันเราจะจากไปเนี่ยโอ้โหโชคเศร้ากันอะไรต่ออะไรเราไม่เลือกว่าเออมาแล้วก็มาตัวเปล่าอะไปแล้วก็ไปตัวเปล่าสิพ่อผมเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านมามาตัวเปล่าไปท่านก็ไปตัวเปล่าไม่มีสมบัติอะไรให้ลูกนี่แต่สร้างความเข้มแข็งไว้ให้ลูกคนนี้ นี่แหละเขาเรียกว่าพ่อแม่รักลูกจริงๆแต่รู้จักแยกแยะรักแต่ไม่หลงนะเดี๋ยว้ีเราปนกันหมดเอาความรักกับความหลงเนี่ยมาปนกันเมื่อตอนผมบวชเนี่ยเดินท า, ามนเมื่อตอนเมื่อตอนผมบวชเนี่ย ช้าขึ้นออกเดินวินธบายพระที่ไปเดียวกันท่านก็บอกนี่ดอกไม้มันหอมผมก็อืเลี้ยวเข้าอีกซอยหนึ่งขยะเหม็นบอกท่านที่ท้ดีดอกไม้ไม่ได้หอมขยะไม่ได้เหม็นมันมีกลิ่นเท่านั้นแหละความหอมความเหม็น มันอยู่ที่ตัวเราเองเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงมันธรรมชาติเนี่ยนะเมื่อสักี้ก็พูดกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงผมเขียนไวน้ในนี้ว่าโลกใบเนี้ยมันให้ธรรมชาติมันสองอย่างคู่กัน มันอยู่ไปได้พักหนึ่งนะแล้วก็ในที่สุดมันก็ไปทจ้งคู่โลกให้สัตว์มาแลจะจนก็ะทั้งวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันมาสุดแล้วมันก็ต้องถึงโคง้งนะนี่แหละโลกให้สัตว์โลกมาเนี่ก็เพื่อการเปลี่ยนแปลง แต่โลกให้ต้นไม้มาให้พืชมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์เพื่อเป็นยารักษาโรคให้เขีมมนุษย์นี่นะฮี้เราหันมาหาสมุนไพร ก, ไกันอะกันความจริงมันมีมานานแล้วมีปราชญ์จีนอยู่คนหนึ่งชื่ อ, องชื่อมีคนมาสมัครไปรู้สิ แกเขาบอกว่านี่ไปดูที่กลุ่มต้นไม้ตรงนั้นอนะ่ะมันมีอะไรเป็นสมุนไพรบ้างคนก็วิ่งไปดูกลับมาบอกคงชื่อบอกทุกอย่างคงชือง่อรับเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เป็นคนมีความรู้แต่ต้องเป็นคนมีความ รอบรู้มนุษย์เนี่ยถ้ามีความรอบรู้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของศิลปะนะไม่ทำลายใครติดตรงนี้เราก็ออกข้างหลังได้ปิดทางโน้นล้วก็ออกอีกทางหนึ่งได้นี่สิทำยังไงเราถึงจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มีความคิดอิสระ เราไปติดอยู่กับโน่นติดอยู่กับนี่แล้วเราก็โทษมันใช่ไหมการที่ไปโทษโน่นโทษนี่เนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นผมพูดกับสื่อเขาว่าเขาบอกทำไมงแข็งแลงเขาบอกอย่าไปทุกข์เท่นั้นเองนะครับไม่ทุกข์สัอย่างหนึง่งยิ้มได้เสมอมันมี ร้อยกรองของหลูจิตวาจการเขียนไว้ยว่าโรคมนุษย์นั้นไม่มีที่แน่นอนประเดี๋ยวเย็นประเดียวร้อนช่างแปรผันโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกวันสารพันหาอะไรไม่ยั่งยืนชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ ต้องต่อสู้แรงลมผสมคลื่นต้องทนทานหวานสู้อมขมสู้กลืนต้องจำฝืนสู้ไปในทุกวันเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนแต่ชีพชื่นเหมือนบเรนเลนเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่น ยิ้มได้เมื่อภัยมานี่สิเห็นไหม<า><ล>งรงทนแนวคิดที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการเปลีป่ย น, น, น, นแปลงแล้วก็หลักคิดในการประเชิญทั้งทุกและสุขเนี่ยจะใช้ยังไงกับปรากฏการณ์มวลมหาประชาชนที่มาชุมนุมนครับครับความจริงเนี่ยผมอยู่ที่นี่นะ ทุกคนหาได้ถึงนั้นเหรครับทุกคนหาได้ถึงนั้นผมพูดไว้แล้วเวลาไม่มีตัวตนนี่สิเพหาผมที่บ้านเนี่ยกดคอมออกมาเลยมีทุกเรื่องเลยนะเวลาไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนได้ทีวีมาหาซุ่มผมยังให้ละบาดเลยนี่เป็นทิ่เสพนะครับเพราะว่าการเรียนรู้สึ่งการณ์ดิจินเนี่ยมันได้เรื่อย นะเราให้รู้จักให้ใจเรามีให้นะให้กระทั่งในที่สุดเวลามันก็หมดเมื่อเวลามันหมดเราไม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยสบายใช่ไหมไปอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อน น, นะยิ้มได้ตลอดเวลานะนี่แหละ นะครับอย่าไปทุกนะคนเราเนี่ยถ้าไม่ทุกก็มีสตินะเมื่มีสติพิจรารณาอะไรก็เจาะเข้าไปถึงรากเนอามันนี่ไม่มียอะไรยั่งยืนนะบางทีเนี่ยผมผมเคยพูดนะว่าหนึ่งเดียวอย่าไปดูถูกนะหนึ่งเดียวนี่แหละที่มันมีผล บางทีเราพูดกันเรื่องชุมชนชุมชนเรื่องปัจเจ ก, กชนไม่ผิดพูาดเลยแต่ปัจเจ ก, กชนที่สร้างอะไรขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยถึงบอกมันมีสองด้านไม่ได้มีด้านเดียวนะเราเป็นคนที่อยู่อย่างผู้ให้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเคยพูดบอกว่า ลูกลูกหลานเนี่ยเป็นอนาคตหรือเป็นอดีตหลายคนบอกเป็นอนาคตออกไม่ใช่ผมเป็นผมคิดว่าเป็นอดีตอดีตของผมอะนะผู้ใหญ่สักทีว่าเด็กนี่เป็นอดีตของตัวเองแล้วคุณแจดอกเนี่ยมันไขไปได้ทุกเรื่องเลยนะชนรุ่นหลังเนี่ย นับวันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยครูเราทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปทุกข์ทุกข์เมื่อไหร่ก็ต้องโทษตัวเองแล้วนะนี่แหละนะครับขอบคุณจาจารย์นะครั บ, ค, รบคิดว่าขอสมควรในช่งเลงก่อนนะครับขอบคุณจาร น, นะครับายเสียงนะครับ มีประเด็นนิดนึงครับคือว่าเวลาเราอธิบายบนนี้นะครับผู้อธิบายด้วยกันเองแทบจะไม่ได้ยินเสียงของกันและกันเลยครับผมเองไม่ได้ยินเสียงอาจารย์รั้พีชัดๆเลยครับนะครับช่วยช่วยช่วยดูเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรียนเชิญพวกเราได้พบกับแฟนๆที่ มากันในที่นี้นะครับแฟนๆที่มากันมากมายทีเดียวเรียนเชิญอาจารย์สมเกียรติครับโอเคไม่ต้องป่าวโควิดก็ได้น ะ, ะเนื่องจากผมขณะนี้อายุ66ปีนะฮะก็มีความคิดว่ามันก็คงไม่ค่อย ประสบความสำเร็จอะไรนะักในชีวิตการงานวิอง ก, ก็คือไม่เป็นผู้ไม่ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจคนหนึ่งนะครับเพราะผมก็ลาออกจากงานเรื่อย ๆ, ๆแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่ทำงานแล้วก็สมัยส4ตุลา2016ก็เดินขบวนเขาเหมือนกันเรียกร้องรับรนูนตอนนี้อายุ66แล้วก็ยังเรียกร้องรับนูนกันอยู่ก็แสดงว่าชีวิตล้มเหลวนะครับ <laughs> ผมก็เลยลาออกจากงานเมื่อ9เดือนที่แล้ว แล้วกะว่าจะใช้ชีวิตอย่างสวยงามคือไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาลาออกจากรองประธานบริษัท Spring New แล้วก็พออช่อง p ป i n g New ก่อนหน้านั้นผมก็ลาออกจากแกร m m y เป็นผู้อำนวยการช่อง Money c ช a n n e l ก่อนหน้านั้นผมก็ลาออกจากไอทีวีอะไรเงี้ยผมลาออกประมาณ 4-5 ห้าที่ผมรมู้สึกว่าไม่ทำลวนะเลิกดีกว่าอายุก็ 66, แล้วก็อยู่เฉยๆนะครับผมก็เลยไปอยู่บ้าน เดียวๆคนเดียวที่ปักช่องผมมีครอบครัวเล็กมากมีภรรยาแล้วลูกชายคนหนึ่งลูกชายก็เรียนจบเรียนจบแล้วจบวารสารแผนภา พ, พยนตร์ที่ธรรมศาสตร์จบมาปีก็อีกหน่อยหนึ่งละเด็กสมัยใหม่ก็ไม่ต้องไปห่วงเขาจะทำงานหรือไม่ทำงานถ้าเขามีความสุขกับ ก, บการ เี่ยวกับเพื่อนหรือว่านอนบ้านโน้นแวบ้านนี้กลับมาบ้านเป็นบอางวันแล้วก็ทำงานได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้างก็ไม่เดือดร้อนก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่21นะครับ2 1 s t century learners คือพวกนี้รู้นะคือ2 1 s t century learner เนี่ย does not care ก็คือเขาไม่สนใจว่าเขาจะยิ่งใหญ่ ในบริษัทหรือในองค์กรเขาสนใจว่าเขาต้องมีความแตกต่างและมีความสุขครีเอทีฟผมก็ใจลูกชายเหมือ น, นกันเพราะไม่ได้สนใจเพราะเรียนจบแล้วนะครับวันนี้ลูกชายก็อยู่ที่นิวยอร์กไปนอนกับเพื่อนที่นิวยอร์กมีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็คือว่านั่งเครื่องบินไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยแคเนกิเมลอนก็จะเรียนปริญญาตรีใหม่อีก ปริญญาหนึ่งไปจะเรียนวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์พอจบภาพยนตร์มาแล้วมาไม่พอใจก็ได้ไม่ได้ผมว่าไม่รู้เดี๋ยวคงกลับมานะครับประเด็นก็คือว่าผมไม่มีปัญหาอะไรในครอบครัวนะครับออแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบพุ่มเฟยหรือว่าไม่ต้องใช้เงินว่าจริ ง, รงก็คือว่าถึงไม่มีเงินก็ไม่ใช้มากก็เลยคิดว่าหยุดดีกว่านะก็จะใช้ชีวิตโลกสว ย, ยเล่าให้เด็กๆฟังเพราะ ช่วงชีวิตที่60กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทํางานเยอะแล้วก็มีหนังสือเป็นจํานวนมากที่ซื้อมาแล้วไม่ได้อ่านมีหนังสือจํานวนมากที่สําคัญที่สุดบนโลกมนุษย์แล้วคนไทยก็ไม่เคยเห็นใครแปลกันเป็นบางเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยคิดว่าเอออ่านหนังสือเขียนหนังสือแปลหนังสืออีกสัก10ปีก่อนตายได้สักสี่หเล่มก็ถือว่าโอเคพอพอเราตายแล้วเนี่ยหนังสือพวก น, นี้โดย อ น, นุสัญญาเบิร์ว่าด้วยลิขสิทธิ์นะครับ50ปีถ้าถ้าผมตายไปแล้ว50ปีหนังสือถ้าพอขายได้ก็ลูกก็ได้มีเงินใช้ถึงลูกไม่มีงานทำแบบพวกฟรีแลนซ์ครีเอทีฟใช่ไหมก็ <c oughs> อันนี้จะซีเรียจริงนะ <c oughs> ผมก็ผมก็เลยคิดว่าอา่อานหนังสือประเด็นที่สองก็คือว่าผมจบปริญญาเอกเป็นเพื่อนอาจารย์ประภพัฒนะจบที่เดียวกัน <c oughs> แต่คนละสา ข, ขา university pennsylvania ผมจบ Ph.D. ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแลน้นี่ปรัชญาของการเป็น Ph.D. ที่อเมริกาเนี่ยคนจบปริญญาเอกเขาเรียก Doctor of Philosophy เขาไม่ได้เรียกว่า Doctor of วิชาอาร์เค c t ็ r เจอ o ์ด็อกเตอร i ออ c พอลิทิคอไม่ใช่ทุกคนเป็นนักปรัชญาโดยความหมายถ้าใครจบปริญญาเอกโดยความหมายที่จะ imply หรือ implication คือเป็นนักคิดนักนักปรัชญาไม่ใช่นักปราชน ะ, น, ะ, น, ะนักปราช น, นักปรชนนั่งข้างๆผมนะครับ แต่อาจารย์รบ ร, รพีรเป็นนักปรัชญาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฟังท่านพูดต้องค่อยๆ ค, คิดนะครับเพราะต้องซับซ้อนนิดนึง น, นักนักปรัชญาคือผู้ที่รู้จักตั้งคําถามแล้วรู้จักการหาคําตอบได้คําตอบแล้วมีความสุขนอนหลับสบายไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ปัญหาให้กับสังคมถ้าสังคมมีปัญหาก็คือมีคําถามเราก็หาคําตอบแล้วเราก็หลับสบายเราเข้าใจว่าทําไมคนจึงทะเลาะกันทําไมคนจึงตีกันทําไมคนจึงมีความรักกันทําไมคนจึงอยาก ปฏิรูป ก, ก่อนเลือกตั้งทำไมคนไม่อยากปฏิรูปลเลือกตั้งก่อนทำไมบางคนไม่อยากทำอะไรเลยพี่ชายสั่งแล้วค่อยทำอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจนะครับพวกเด็กๆอารมณ์ขันยังไม่ถึงพวกผู้ใหญ่อันนี้ซีเรียสคือว่าผมใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าสังคมมีคำถามผ ม, มาหาคาตอบได้อยู่ที่บ้านผมมีบ้านอยู่ที่ปักช่องมีห้องสมุดขนาดพอสมควร6700เล่มนะครับหนังสือตลอดเวลา มีรายได้ดีก็ซหนังสือส่วนใหญ่เป็นรัฐศาสตร์นะครับ อ, อ, อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมก็ใช้ชีวิตแบบนักปรัชญาอยู่คนเดียวตั้งคําถามทุกวันแล้วก็หาคําตอบด้วยการอ่านหนังสือไม่มีคนคุยด้วยเลยนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเข้าใจปรัชญาของอาจารย์ประภาพัฒน์แล้วก็โรงเรียน อ, อ, อะไรนะลุงอรุณลุงอรุณ <laughs> จนจะบอกว่าแสงอรุณหรือรับอรุณเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทํำรายการรับอรุณลุงอรุณเนี่ย ผมไม่เคยเข้ามาแต่เคยได้ยินว่าอาจารย์อ๋อยทําหลายปีละอันนี้เหมือนกับสานตินิเกตันที่กาลกะตาตั้งโดยรพินธรนาถากูลหรือทกอรนะกรกาลกะตานอกนอกเมืองกาลกะตานะครับเรียนหนังสือห้องเรียนอยู่ในธรรมชาติค้นหาคําตอบไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหาอะไรสารตินิกเกตันยูนิเวอร์ซิตี้แต่ว่าเขามีตึกหมดแล้วถ้าท่านรพินธรนาถอยู่ก็คงร้องไห้นะครับเพราะว่า ตึกเยอะไปหมดเลยนะครับท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรทยาศรมคนแรกของเอเชียรบินตรณนาาถากูนรพินทระนาาถากูนนะฮะก็โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็มีความสุขมันเวลาเกิดเหตุในบ้านเมืองทีไรเนี่ยผมก็หาคำตอบได้เสมอจากการอ่านหนังสือซึ่งก็จะโดนพวกทว i t เต r Facebook ด่าว่าตำหนิลุง แกแล้วไปเลี้ยงล้านมาอ่านหนังสืออยู่นั่นแหละไอ้พวกปริญญาเอกเขาจะโดนด่าเลยสมัยเนี้ยคนจบปริญญาเอกก็จะโดนพวกไม่เรียนหนังสือดา่าว่าอ่านหนังสือมากไม่รู้เรื่องแบบเมืองนอกผมก็แฮปปี้ผมเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขา <c oughs> อันนี้จริงๆนะครับ <c oughs> อตอนนี้เพราะเกิดเหตุการณ์มวลมหาประชาชนเนี่ยที่จริงก็ก่อนหน้า น, า น, นั้นนิดนึงนะครับ มีการรงตงต่อต้านรัฐ บ, บาลทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ของอาหารสืบมาอ่านเพราะผมช่วงนี้ผมอ่านหนังสือประมาณ10เล่ม10เรื่องออจนกระทั้งขึ้นเวทีอโศกแล้วก็ปฐุมวันตอนนี้ก็ ก, ก, ก็มีหนังสือให้อ่านเพิ่มอีกเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องอื่นเยอะต้องเขียนสคริปต์ต้องอะไรพวกนี้แต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังคือว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ทางวิชาการเราไม่มองเรื่องการเมืองนะมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการของผม ซึ่งจะเป็นวิธีดำเนินชีวิตปกติถ้ามีปัญหาเราก็มองทางออกทางวิชาการแต่ไม่รู้จะไปบอกใครก็ได้แต่เขียน Facebook Notes บ้าง Twitter บ้างนะครับอพอเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครติดตาม Blue Sky แล้วก็ฟังการปราศัยบนเวทีราะาํดำเนินเนี่ยทุกคืนทุกคืนผมก็ไม่รู้ว่าจะมาขึ้นเวทีอะไรกับเขานะครับเพราะว่าผมเป็นนักรบหน้าจอ พวกมอโลกสวยคือดูทีวีแล้วก็คิดแล้วก็อ่านแล้วก็ Facebook แล้วก็นอนชีวิตมีแค่นั้นแล้วก็ตำหนิบางทีก็แมสเซจบ้างอะไรบ้างนะครับไม่คิดว่าจะมาขึ้นเวทีเขาชวนผมหลายครั้งมากตั้งแตเดือนแรกหลังสำเสร็จนะครับก็รู้จักกันหลายคนที่อยู่หลังเวทีว่ า, าจะม่อะไรจะมาผมไม่มาผมไ ม, ไมคพูดขึ้นเวทีไม่เป็นหรอกลัวปอดจันเพราะว่าเราไม่ใช่นักปราศัยนะเราบรรยายได้เป็นอาจารย์อนะไรอย่างเงี้ยพูดก็ พบว่าบนเวทีเนี่ยมีการบรรยายมีการปราศัยมีการพูดแรงบ้างเบาบ้างเนี่ยถึงนักคิดในโลกเนี้ยหลายคนยังผลให้ผมต้องไปหยิบหนังสือมาอ่านแต่ทุกคนที่เขาพูดถึงผมหนังสือหมดละมีหมดเลยนะฮะบางเล่มที่ขาดบางตอนบางส่วนที่เสริมก็สั่งซื้อทาง amazon.com ประมาณอาที่เดียวหนังสือก็มานะครับนะผมเป็นแฟน amazon.com เล่มแรกที่ต้องอ่านก็คือมาหาธรมาารมคันทีนะครับ เพราะว่าเขาพูดกันเรื่องเขาพูดกันเรื่องอหิงสา non violence ไม่ต้องซื้อใหม่ผมอยู่อินเดีย5ปีจบปริญญาตรีโทที่มหาวิทยาลัยเด ล, ลีสาขารัฐศาสตร์นะด้วยทุนรัฐบาลอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้จักมหา ร, รมาคาญทีดีพอที่จะบ่นมาประมาณ 20-30 ปีว่าคนไทยเนี่ยไม่รู้จักอหิงสาแต่ยืมมาใช้ตามความสะดวกใช้ไม่ได้ก็จะหิงสานะครับ คือถ้ามันสันติแล้วแบบมันทนไม่ไหวแล้วกูก็เลิกสันติส่วนใหญ่ก็จะเจออย่างนั้นนะครับซึ่งผมกลัวนะครับขนาดนี้ที่ผมขึ้นเวทีอโศกเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ผมคิดว่าสงสัยมันจะหมดช่วงอหิงสากลัวจะเข้าไปสู่ยุคที่เขาเรียกหิงสาก็คือไม่ใช่อหิงสาครับก็อ่านมหาธ ร, รมมคานทีแล้วก็โพสต์มีบทความอยู่ใน Facebook โน้ตผมละเอียดนะครับถ้าเด็กๆจะเข้าไปไปค้นอ่านแต่หลักของมันง่ายๆก็คือว่า อหิงสาเนี่ยคือการไม่ใช้กำลังการไม่ใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านความไม่เป็นธรรมของรัฐกฎหมายหรือสังคมไม่ว่าจะกระบวนการต่อต้านนั้นจะทำอย่างไรกระบวนการต่อต้านนั้นจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เข้าใจความเลวความดีทั้งหมดเป็นสัตยะหรือความจริงทํากิจกรรมเพื่อสร้างความจริงให้ปรากฏมหาธ ร, รมะการทีเรียกว่าสัตยาครา ผมก็พยายามอธิบายแต่ที่ขึ้นเวทีโศกจะไม่พูดศัพท์อะไรใหม่ๆเยอะเดี๋ยวคนจะงงถ้าขืนใช้สัตย์ยค้อซึ่งถูกต้องกว่าอาหิงสานะอาหิงสามันเป็นแค่วิธีที่ไม่รุนแรงแต่สัตย์ยค้อคือกิจกรรมหลากหลายที่จะทําให้เกิดความจริงนะผมก็เข้าใจเรื่องนี้เอาย่อๆใช่ไหมอาจารย์ไม่ลงรายละเอียดนะถ้าจะให้ละเอียดก็ต้องมาพูดกันอีกทีนึงก็อ่านคานทีอีกสองสมเล่มรวมทั้งประวัติท่านหนังสือพวกที่ผมอ่านมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วเพียงแต่ว่าปัดฝุ่นแล้วก็พลิกโฉมอ่านใหม เล่มที่สองผมต้องอ่านแล้วอยากให้ประชาชนรู้จักคานทีลึกซึ้งก็คือคนที่คานทียกย่องบูชามา น, นมาคานทีไม่ใช่อยู่ๆมาก็เก่งแบบสุดๆอย่างนั้นนะครับแกเป็นเด็กนอกครับชอบฝรัง่งอ่านหนังสือฝรัง่งแล้วก็แบบติดใจแล้วก็ามาทำนั่นแหละนะครับที่แกทำอยู่นั่นนะ่ะจากอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกผลการฮินดูบ้างพุทธบ้างและเฮนรี่เดวิดฟาโร ในโลกนี้ใครพูดถึงอารยขัดขืนเนี่ยต้องรู้จักเฮนรี่เดวิดทโรซึ่งเกิดก่อนมห ah าธมาคานธี50ิกว่าปีเรียกว่าเป็นรุ่นพี่อย่าเรียนรุ่นพ่อก็ได้คานธีได้ยินกระบวนการดื้อแพ่งหรือการอารยขัดขืนของเฮนรี่เดวิดทโรที่สหรัฐอเมริกาใช้ชีวิตยอย่างโดดเดี่ยวปลูกกระท่อมอยู่เองปลูกถั่วปลูกงาปลูก้กาโพดกินเองนะครับแล้วก็อยู่กับทะเลสาบวอลเดน เซิร์ชข้อความ่ า, า WALDN e จะนั่นคืองานอมตะของโทโรว่าด้วยเรื่องใช้ชีวิตลิมเทเลสซับอยู่กับป่าทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ตัวเองรวยนะครับบ้านเป็นเจ้าของอทําดินสอสมัยปี1800กว่าๆนะที่อเมริกาทางคอนเนตทิคัตบอสตันทางโน้นนะครับแกเป็นคนแรกใ น, ในในโลกที่โลกรู้จักว่าดื้อแพ่งอารยขัดขืนไม่ยอมจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลอเมริกันที่เอาภาษีประชาชนไปทําสงครามเม็กซิโกเม็กซิกันวอร์ เขบอกงี้ไม่จ่ายภาษีละแกก็ไม่จ่ายภาษีไม่จ่ายไปตั้งสี่ปีภาษีไม่กี่ตังค์นะครับก็เรียกภาษีโพแทกภาษีคนอายุสินะเหมือนภาษีที่เอาไปมารุงรัฐนะจกนกระทั่งเพื่อนเป็นผู้เก็บภาษีในเมืองใกล้ๆทะเลสาบบอร์เดนบอกเฮ้ย hey, จ่ายาทีไม่จ่ายกูจับ <c oughs> อยู่มาวันนึงไอ้เฮนรี่เดวิดเทโรเนี่ยก็ไปตลาดออกจากบ้านในป่าริมทะเลสาบเอารองเท้าไปซ่อมไอ้เจ้าหน้าที่เพื่อนกันนอะ จับเลยเข้าคุกคืนเดียวครับลุงขึ้นคุณป้าก็เอาเงินไปจ่ายภาษีแล้วโทรก็ออกมาอีกปีกว่าๆแกก็เขียนบทความเรื่อง Civil Disobedience บทความนี้ที่มหาธรรมาคารทีได้อ่านแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องอารยาขัดขืนที่เรารู้จักแต่ที่จริงเราไม่รู้จักจริงๆอ่ะเพราะว่าคารทีเนี่ยอ่าน Civil Disobedience ผมก็อ่านแล้วก็เขียนลงใน Facebook แล้วก็นิตยสารที่ผมเขียนประจำทุกเดือนนะครับนิตยสาร Esquire Magazine นะฉบับปัจจุบันถ้าไปซื้อที่แผงก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์อ่อยต้องรู้จักนะครับนะครับเล่มที่สองเนี่ยครับจอ์นรัสกินอาจารย์ประภาภัสจอร์นรัสกินเนแลมส์ออฟอาร์เคเต็กเจถูกไหมฮสถาปนิศสถาปนิ ก, นกทั้งโลกเนี่ยต้องรู้จักจอร์นรัสกินเพราะว่าจอร์นรัสกินเนี่ยก็เกิดก่อนหลังเฮนรี่เดวิดสองปีนะครับก่อนคารที50ปีก็เป็นรุ่นพี่เช่นเดียวกันจอร์นรัสกินเนี่ย มีชื่อเสียงมากในการเขียนหนังสือวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมให้อาจารย์ประภาภัทรช่วยเล่าอะไรกันชื่อเซเว่นแลมสปาคิทเทคเจอร์แล้วก็งานที่ดังมากๆก็จะเป็น Modern painters เป็นซีรีส์หลายเล่มจบมากว่าด้วยการวิจารณ์งานภาพเขียนสีน้ําของศิลปินสมัยนั้นที่ถูก ด, าด่าถูกว่าเยอะแกก็แกก็เป็นนักคิดนักเขียนเขียนหนังสือแล้วก็วาดภาพประกอบเองแต่โลกเนี่ยในโลกการเมืองและเศรษฐศาสตร์เนี่ยรู้จักจอร์นลัสกินจากหนังสือชื่อ u n t o this last ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยนั้นที่เอารัฐเอาเปรียบคนงานกรรมกรแบบที่เรียกว่าในทุนรวยเกินไปจอรนสติเขียนหนังสือเรื่อง Until This Last เล่มเนี้ยที่มหาธมาคาันทีอ่านแลแบบ้วบอกมันดีมากเลยอาดมามาก็จะต้องเอามาแปละนะว่าอย่างนั้นครับท่านเอามาแปลเป็นภาษากุจจาราตีรเป็นเล่มเดียวที่มหาธมาคาันทีแปล เพราะมันเป็นหนังสือทางเศรษฐศาสตร์ <dans S 2> าการเมืองที่ท่านบอกว่า this is the book that changed my life หนังส <t bers coinc ide> okay? ือที่เปลี่ยนชีวิตครทีนะครับอยู่ในเอ็กซ์คลายแมกซ์ฉบับวางแผงเนี้ฉบับหน้าตอนสองผมส่งต้นฉบับไปแล้วครบเด็กๆถ้าอ่านก็จะได้รู้จักคร่าวๆนะครับเพราะเราจะเขียนไม่ยาวหนังสือเล่มนี้สอนนายทุนให้จ่ายค่าแรงให้กับมนุษย์หรือว่าคนงานของตัวเองให้มีความสุขเท่ากัน อย่าให้ค่าแรงทําให้เกิดความทุกข์ให้ชีวิตมีความมั่งคัง่งไม่ว่าจะทํางานกี่วันกี่คืนจะอายุเท่าไหร่อย่างน้อยค่าแรงต้องเป็นความมั่งคั่งพอควรเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่แหละถ้าจะสรุปคําของจอร์นสกินง่ายๆก็คือว่า there is no wealth but life ถ้าชีวิตไม่มีความมั่งคัง่งมันก็ไม่มีชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกน้องเราในบริษัทต้องดูว่าชีวิตเขามั่งคัง่งพอที่จะมีความสุขหรือไม่อันนี้ก็บอกคร่าว เล่มต่อไปที่สนุกดีเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ดรไตรรงสวรัต น, นคีรีพูดบ่อยมากบนเวทีคือจอร์นรอเป็นศาสตราจารย์วิชาสันติศึกษานะครับ mm hmm. เขียนหนังสือชื่อ theory of justice ว่าเรื่อง civil disobedience หรือว่าอารยขัดขืนผมมีสองก็อปปี้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าโชคดีว่าอาจารย์ไตรลงพูดเรื่องนี้กันแล้วเหรอ แกพูดสนุกมากเลยครับเพราะว่าบนเวทีเนี่ยอาจารย์ใจลงก็จะเป็นนักพูดแบบมีวิชาการแล้วก็สนุกอาจจะห ย, ยาบๆแรงๆ แ, แต่ดูแล้วมันไม่คยย่อยหยาบคายดูแล้วมันเพลินดีนะคือคนคนโดนแกว่าแกก็ไม่ค่อยโกรธเช่นทฤษฎีส้นตีนแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง <laughs> ก็คือทฤษฎีการเดินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนะครับ วันะะนั้นผมก็อ่านจอรรออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจอรรอเนี่ยไม่ใช่คลาสสิกเป็นงานรุ่นใหม่นะครับนั่นนับผมก็อ่านข่าวมาร์กเพราะว่าพวกเสื้อแดงบ่นเรื่องความเท่าเทีเทยมกันแล้วก็กลับไปอ่านเรื่องเก่าๆของคอมมิวนิสต์นะครับปัญหาประชาธิปไตยเยอะแย ะ, ยะผมก็อ่านเด็กๆอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้ไมันก็มีเรื่องสรุปเรื่องประชาธิปไตยผมอ่านงานของอาจารย์ที่อังกฤษชื่อเดวิดเฮล Mo เดลสมดิมอคัสซี่มี13แบบประชาธิปไตยนะฮะและที่สําคัญผมก็กลับมาอ่านเรื่องความ เพียงพระมหาชนกนะของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นพระทิพนดัดแปลงจากนิทานชาดกของอินเดียนะครับของพุทธศาสนาก็ว่าได้เรื่องความเพียงไอ้เรื่องความเพียงเนี่ยมันก็มาสอดคล้องกับบทความที่ผมอ่านแล้วก็พูดที่เวทีอโศกนะฮะแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องพระมหาชนกอะไรนักนะครับฝรั่งเขวิจารณ์การชุมนุมประท้วงสองเดือนที่ผ่านมานี้ฝรั่งทีมหนึ่งนะครับ เ ป, เป็นกลุ่มเขาเรียกว่า crisis group เนี่ยที่เป็นบทความที่ผมใช้พูดบนอสมเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่ากรุงเทพหรือว่าประชาชนคนไทยที่ประท้วงอยู่ตอนนี้เป็นความหวังชิ้นสุดท้ายของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ก็ต้องคุยกันแต่ความหวังของมวลมหาประชาชนเนี่ยมันเหมือนความหวังที่กําลังจะจมน้ําแล้วก็มียาปล่อง น, น้อยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า reefs r, r e d s ก็เป็นหญ้าฝรั่งอ่ะที่มันลอยแล้วก็มัดมัดกันเป็นเรือเดินทะเลได้แบบพวกโพลินีเซียนสมัยหนึ่งนะครับ มันความหวังที่มวลมหาประชาชนเกาะอยู่เนี้ยเพื่อจะปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นความหวังของคนมื่อมาศาลเลยเกาะย่าปล้องน้อยๆแล้วมันเปริมน้ํามันจะจมแต่มันไม่มีความหวังอื่นอันนี้งดงามมากนะครับผมก็เลยนึกถึงพระมหาชนกที่ลอยคออยู่ในทะเลแบบเจ็วันเจคืนมีความเพียรมหาศาลจนเทวดายอมรับในฝีมือของมหาชนกนะครับจึงมาช่วยนะครับ ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยในท่สุดท่านก็ถึงฝั่งมิถิลานครหรือรัตนโกศิทป์แล้วแต่ในหลวงจะมีอารมณ์ขันนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทหรือน้ก็จะมีนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตทองแดงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นช่วงแห่งความสุขของผม มีเรื่องอะไรอ่านแล้วหาคำตอบแล้วเียนบทความแล้วก็โดนด่าอะไรแบบนี้คือคือคนว่าคนก็จะเป็นจะตายก็ไปที่รูปอาจารย์ก็มาอ้าไงไอ้นี่ค่านที่อ้างะไรบางบางคนก็ไม่พอใจว่าเราอย่างนี้นะครับแต่มันเป็นความสุขของคนแก่ที่เขเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็แนะน่ีห น, น, น, น่อยแล้วก็ไม่มากรุงเทพนะครับจนกระทั่งโลกไม่สว ย, ยงไงที่ผมพูดนะบนเวทีคือว่าเฮ้ย hey, โลกมันไม่ค่อยสวยว่ะ เขาตีกันผู้หญิงแกซ้าตาแล้วเขาก็มีเจ็บแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตายกันแล้วรัฐบาลก็ไม่สนไม่ขอโทษไม่ออกมาแล้วบนเวทีก็เริ่มด่าเริ่มหยาบคายเริ่มอ e ีโน e ่นอีนี่อะไรผมก็บอกเฮ้ย hey, มันแบบมันไม่สวยทั้งคู่เลยอะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วถ้าเราขืนอยู่ต่อไปสวยอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ผมก็คิดคำนวณแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ทางหลังเวทีอโศกเขาก็จีจๆมา <c oughs> อาจารย์เมื่อไหร่จะมา <c oughs> อ่ะ <c oughs> มาก็มามาก็มาผมก็เลย มาอยู่กรุงเทพตอนนี้ยังไม่ได้กลับปัดช่องเลยนะครับสองสามาธิหลักก็เขียนสคริปต์เพราะว่าไม่คุ้นเคยการขึ้นเวทีปราศัยกลัวว่าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องครับเนี่ยผมแบบไม่ได้เลยนะครับผมก็จะไปแบบเรียบเรียบแต่ถ้าเกิดไม่กระตุน้นกลัวคนง่วงผมก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเราก็เล่าเรื่องจริงแล้วเราก็ระมัดระวังสคริปต์บทที่เขียนเนี่ยก็อ่านวางจังหวะนะครับแล้วก็ปิเซนต์มันไปตามนั้นเอ่อ มันสคริปต์ที่ผมเขียนนะว่าจริงๆปรับแค่ 3- 4วันนะครับแล้วก็ท่องไม่ใช่ไม่เชิงท่องก็ดูเพราะเราจะอ่านแล้วก็จะดูว่าจังหวะมันเป็นยังไงเวลาเท่าไหร่มันก็จะแล้วบางทีเช้าๆขึ้นมาก็จะวิ่งวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ก็เปลี่ยนสคริปต์ข้างหน้าส่วนใหญ่ความสําคัญนะครับนี่บอกเด็กๆที่จะเรียนนิเทศบริสัรนะครับเ พ, พราะพ่อลุงเนี่ยไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเรียนรัฐศาสตร์ก่อนสมัยราหัวเทศแอา่านวรรณกรรมต่างประเทศและในประเทศเนี่ยเยอะพอสมควรทําให้มีวิธีใช้ภาษา แล้วก็จะมีตัวอย่างหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราเคยอ่านอยู่ในนั้นแหละนะครับ เ, เพราะเวลาเราทําสารคดีโทรทัศน์หรือเขียนข่าวโทรทัศน์หรือว่าจะเขียนหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยสำหรับผมเนี่ยวินาทีแรกสําคัญที่สุดที่จะทําให้คนเขาหยุดเราฟังย่อหน้าแรกของการกล่าวจะเรียกว่าสุนทรพจน์หรือว่าคําประสายแล้วก็แล้วแต่นะผมจะระวังมากว่าจะพูดอะไรนะครับย่อหน้าแรกนะครับ จะพูดอะไรไม่รู้เด็กๆ ไ, ไ, ได้ดูกันหรือเปล่าไม่รู้นะหนูได้ดูไหมดูแล้วอาจจะผมจะยกตัวอย่างของเวลาที่จ ะ, จะจบแล้วนะครับอาจารย์ย่อเวลาขึ้นบทเสียสกเนี่ยในส่วนของสคริปผมก็จะคือไอเดียทั้งหมดก็คือผมจะบอกว่าผมไม่คนเปลี่ยนใจเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนผมเปลี่ยนได้ผมไม่ได้ทะนงตัวว่าจะอยู่อย่างเดิมแล้วผมเปลี่ยนเพราะเห็นด้วยกับคุณสุเทพทั้ทงๆ ท, ที่ตอนแรกผมก็มีเงื่อนไขหลายอย่าง ฟีมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าผมมาอยู่พวกเดียวกันแต่ไม่ง่ายนักนะสําหรับผมผมมีเหตุผลพราผมก็เริ่มต้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกํานันสุเทพผมก็บอกผมเปคนมองโลกสวยมายาวนาะนตลอดชีวิต66ปีตอนนี้ผมก็จะผมเดาอะ่ะคนต้องงงไอ้นี่มาจากไหนว่าเขาห้ามขึ้นเวทีนี้นะนะครับผมเป็นคนที่กํานันสุเทพตัดพอ้อต่อว่าบนเวทีมวลมหาประชาชนมา ก, กว่าเดือนว่าเป็นพวกโลกสวยผมไม่ได้ใช้คําว่า ด, ด่าแล้วก็คําไหนดีเราจะใช้คําไหนดี ต่อว่าต่อขานตำหนิติเตียนดา่าเสียดสีในสุดผมใช้คำที่งดงามตัดเพ้อคนนักกันนะครๆอย่างนั้นนะ่ะแม้พี่อะไรเงียยตัดเพ้อแล้ววักต่อไปเขจะบอกว่าแต่นับวันโลกของผมมันเริ่มจะไม่สวยมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คนหากันเต็มเลยนะครับคนรู้สึกแปลกใจนะครับผมก็คาดเดาได้ผมไม่ใช่นักพูดแต่ผม พูดความจริงเพียงแล้ว่าใช้วรรณกรรมเล็กน้อยแล้วก็ผมจึงมาที่นี่มาอยู่กับท่านเพราะผมว่ า, วาที่นี่คือโลกที่สวยสงบงดงามที่แท้จริงอันนี้ก็จะเป็นเป็นอินโทรของผมนะครับ อ, อินโทรที่2องเพื่อจะจบช่วงนี้ซึ่งเกินเวลาเล็กน้อยนะครับถ้าได้ทักชช่าโมงจะดีนะครับอินโทรที่2อนะอันนี้เป็นเป็นบทเรียนผมให้เป็นบทเรียนสําหรับพวกเขียนหนังสือนะครับผมไม่ใช่นักเขียนคนแล้เล่าให้ฟังว่าผมใช้วิธีคิดยังไงอินโทรที่2เนี่ย ที่ที่ปฐุมวันนะครับผมก็บอกคุณเกิงและทีมงานบอกว่าเฮ้ยรอรอหน่อยเพราะผมแก้ตรงหัวมากเลยผมเช้าวๆ้วิ่งออกกําลังกายได้ไเดีย๋ยวไปก็แก้แล้วผมก็ส่งไปให้เขาล่วงหน้าเพราะว่าทีมงานต้องทําสคริปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสับไตเติล น, นะครับแล้วผมก็เขียนไม่ล่วงหน้า1วันที่เปลี่ยนสคริปช่วงต้นใหม่นะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้เมื่อกี้เพิ่งได้กอดกํานันสุเทพนี่เขียนล่วงหน้า1วันนะหนูนะไม่รู้จะได้ก่อนหรือเปล่านะ ถ้าไม่ได้กอดก็แก้นะครับแต่ต้องหาทางกอดให้ได้เพราะเขียนไว้แล้วนะครับอันนี้เรื่จริงอาจารย์รับผีอยู่ข้างหลังพอดีคือ น, นั้นอาจารย์ไม่รู้หรอกนะผมเฮ้ยสุเทพอยู่ไหนวะผมก็บอกทีมงานคุณก็เฮ้ยผมต้องได้กอดนะเพรเขียนไว้แล้วนะเ<แล>มื่อกี้ผมเพิ่งได้กอดกําลังสุเทพ เพิ่งได้กอดกำนันสุเทพจริงๆผมไม่เคยเจอหน้ากำนันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันที่ไหนไม่เคยคุยกันเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา น, นี้เป็นเรื่องจริงเพื่อให้คนรู้ว่าผมไม่ใช่พวกกำนันสุเทพมายาวนานนะไม่จริงๆนะจริงโทรก็ไม่เคยแต่เคยเมสเซจไปหาทีมงานแล้วเตือนแกว่าอันนี้ผมไม่ชอบนะอันนี้เคย sms ไหครับสามเดือนที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้กอดกำนันกับเขาบ้างก็เป็นบุญแล้วสําหรับลูกบ้านหน้าใหม่อย่างผมอันนี้ก็แปลว่าอยากมาก่อนนะครับเห็นป่ะ ก, ก็อันนี้ผมซีเรียนะผมต้องการร่วมมือ เท่าที่ผมจะมีวิธีคิดได้แต่วิธีพูดเนี่ยอันนี้อินโทรวินาทีแรกมันสําคัญสําหรับการพูดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยแล้วผมว่าใช้บทนี้ไปจนจบครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบ น, นะครับตกลงผมเรียนรู้ทั้งอ่านหนังสือได้ความรู้แล้วก็เรียนรู้ว่จริงๆผมเรียนรู้วิธีเขียนส่นทลอพน์เพราะผมไม่เคยผมเขียนสคริปต์โทรทัศน์มายุ่งยะมากเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเรื่องอาเซียนผมเขียนถึง33ชั่วโมง ได้เงินมาจากรัฐบาลถึง30ล้านบา <c oughs> ททําหนังเรื่องอาเซียนนะครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องตัวเองถ้าพลาดก็เจ๊งไปเลยนะครับอันนี้แต่ตอนนี้เสียหายมากเพราะว่าเขียนแล้วคนชอบอ่านผู้ละคนชอบทําให้ไม่กล้าขึ้นเวทีครั้งต่อไปเพราะว่ามันระบากใจนะครับมันระบากใจกลัวทําไม่ได้ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์สมเกียรติครับ ให้ภาพที่ชัดเจนของความเป็นนักเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ทั้งภาพที่เป็นจุดแข็งของตัวเองในการคิดอ่านแล้วก็จุดอ่อนบางอย่างในการที่จะวางตัวแล้วก็ค่อยๆ ค, คลี่คลายตัวเองจนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่านี่จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราไปไขควรต่อได้เลยนะครับ ท่านที่3ครับเรียนเชิญ อ, อาจารย์อนเอนกะนัเข้าบิ่ครับสวัสดีมวลมหาประชาชนแล้วก็มวลมหายาวชนเมื่อวันที่อรุณลุ่งครอบงำแผ่นดินไทยซึ่งเราอยากเห็นมากผมจะพูดสองประเด็นนะครับจะไนที่สองไว้รอบหลังประเด็นแรกเนี่ยผมจะ เป็นผู้สังเกตที่อยู่วงกลางๆและแอบเข้าไปข้างในแต่ไม่บอกใครว่ามวลมหาประชาชนป ร, กรากฏการณ์นี้ต่างกับรุ่นผม14ตุลาซึ่งอ๋อยโทษนะครับชื่อเล่นแล้วกัแบรนด์เนี่ยผมมีหน้าที่เบกเอาประสบการณ์ชนบทมาเล่าให้เขาฟังวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกว่ามวลมหาประชาชนที่ผมจะเน้นเนี่ยคือในชนบทกําลังเป็นอย่างไรแล้วแตกต่างจากกรุงเทพด้วยนะครับมีมีเหมือนก็คือว่าร่วมรบด้วยกันที่นี่แต่ว่าเราเห็นอนาคตชัดคือรอบ2 ผมจะพูดแบบบวมหาประชาชนนะครับทั้งที่ไม่ได้ขึ้นเวทีเกือบขึ้นไปแล้วเหมือนกันถ้าท่านเห็นด้วยปรีดหรือตบมือเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่และทฤษฎีใหม่ของบวมมหาชนข้อที่หนึ่งอย่างน้อยต่างกันสตรีตุลารุ่นผมนะครับวันนี้เราเห็นคนทั้งทุกอาชีพไหมครับทุกวัยไหมทุกเพศไหมทั่วทุกจังหวัดไหมครับเกือบทุกจังหวัดทั่วทุกภาพ กรุงเทพเนี่ยกออกมาทุกเขตเกือบทุกเขตใช่หมครับถามว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ตบมือครับยุคพันธมิตรผมขึ้นเวทีเป็นแสนแล้วเสียอายบอกเป็นล้านวันนี้ห้าล้านขึ้นใช่หรือไม่ถามว่าใครสั่งมาใช่หรือไม่ก่อนใช่หรือไม่ถ้าใช่ตบมือคําถามที่สองต่อมาว่า ลุงกำนันสั่งมาหรือทุกคนใส่ใจสั่งมาตอบมือสิครับนี่คือการแตกหักของประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งโลกไม่มีครับคือการต่อสู้ระหว่างเงินกับอำนาจกับใจคุณธรรมนี่อยู่ฝ่ายใจครับวันนี้เราพิสูจน์ว่าใจเรามีคุณธรรมอยู่เหนือเงินเราจรึงออกมาออกมาเพราะใจสั่งอันนี้ผมจะพูดต่อว่าอำนาจใจที่ต่างจังหวัดเคลื่อนตัวไปแล้ว แล้วที่กรุงเทพกาลังต่อสู้อำนาจเก่าครับคืออำนาจรัฐกับอานาจเงินด้วยคำว่ากฎหมายในรัฐสภาและรัประการที่สองเราต่อสู้ด้วยความรักสคำา 1. รักแผ่นดินไทยใช่หรือไม่ 2. รักในหลวงใช่หรือไม่ 3. รักลูกรักหลานเล่าใช่หรือไม่3ความรักนี่แหละครับ มันสั่งให้เราออกมาเพราะเราไม่เห็นอ น, นาคตคนที่จบไปนี่ไม่มีอนาคตถ้าวันนี้เป็นกี้ค่าระดับรัฐสภาถามว่าวันนี้ใครครอบงำประเทศไทยอยู่ต่างชาติไม่รู้ชาติไหนผมเรียกว่าชาติหมาเพราะว่าคำว่ามหาชนสะกดให้ดีนะครับไม่อยาบมหาชนเนมมานําหน้าแปลว่าเราคิดถึงคนอื่นคิดถึงมหาชน แต่เมื่อไรเราคิดถึงตัวเองเพราะอยู่ในความโลภโกรธหลงก็เป็นหอยหิบนํำหน้าใช่ไหมครับนี่คือความจริงครับวันนี้ประเทศไทยที่เวทีบอกว่าประเทศเรากลายเป็นประเทศคอร์รัปชันเป็นประเทศสุดท้ายพี่สมวกว่าเป็นประเทศสุดท้ายล้าหลังแอฟริกาแล้วครับน้องๆจําไว้ใส่สันดาเลยว่าใส่กระมวสัญญาว่าจบมาเพื่อเป็นต่อท้ายแถวแอฟริกาครับเราจะเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ อันนี้ประเด็นที่2นะครับถ้าเราไม่รักแผ่นดินไม่รักพระเจ้าอยู่หัวไม่รักพระเจ้าอยู่หัวตัวแทนพ่อในบ้านก็คือพ่อของประเทศมาเป็นที่3ารคืยุทธศาสตร์นี้ผมไลท่ทฤษฎีนะครับผมเป็นสังเกตข้อที่สถามาว่าวันที่แบรนอ๋อยพบผมขึ้นออกมาสิสตุลาเคลื่อนโดยคนกลุ่มหนึ่ง จากข้างบนลงข้างล่างเตะฐานออกไปใช่หมครับวันที่อาจารย์ปีดีออกมากลุ่มหนึ่งเลี้ยวคณะราษฎรคือการปฏิวัติเอาอนาจรัดโดยคนกลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพและคนส่วนน้อยใช่หรือไม่แต่วันนี้คนส่วนใหญ่ไหมทําจากล่างขึ้นบนไหมแล้วจัดตั้งตนเองกันใช่หรือไม่วันนี้กระพั้นจะจัดตั้งใครอยากจัดตั้งอะไรจัดตั้งไทยสปริงก็ขึ้นมาทุกกลุ่มน้องเยาวชนอยากทาอะไรก็คิดได้มีใครห้ามไหม ถามว่ามีใครนำใครไหมนี่เป็น ก, การดอ ก, มดอกไม้ลอยดอกครั้งแรกของประเทศไทยครับคือเราอาจจะเรียกว่ากระจายหน้จใช่หรือไม่ครับเหลืออย่างเดียวยุทธศาสตนี้ขาดการรอยซึ่งเมื่อวานอาจารย์สมเกตกับผมนั่งอยู่อาจารย์พีประธานทำอย่างไรเราจะลอยความหลากหลายให้มีพลังแล้วเคลื่อนประเทศพร้อมกันอันนี้คือจุดที่เรายังขาดอยู่เพราะว่าในกรุงเทพก็มีหลาย จัดตั้งในต่างจังหวัดก็มีหลายจัดตั้งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประเด็นที่4เราอยู่กับภาคประชาธิาไปไตยใบครับในอดีต0ปปีอาจารย์ปีดีทำให้เรามีวันนี้คือให้เลือกตัวแทนไปใช้อำนาจรัฐในรัฐสภาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตัวแทนของเราเขาขาดอะไรครับใครทายได้ขาดเงินหรือขาดใจใจคือจริยธรรมคือคุณธรรมมีไหม แล้วเพราะได้ไหมสำหรับคนกลุ่มนี้เพราะที่นี่ครับคนรุ่นนี้ต้องเข้าสภาแล้วเพราะวันแต่วันนี้สมัยที่ท่านอาธิการประพาพัฒ ร, ร, รองอธิการท่านแบนผมผมเรียนวิชาบัญชีเป็นวิชาเอกจบเป็นอาชีพแต่วิชาโทคือวิชาค่ายกับวิชาเดินขบวนวิชานั้นสอนให้รักชาติครับ สอนให้รู้จักความจริงว่าประเทศไทยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าจะใช้โอกาสจงออกจากซึ่งลูกหลานส่งเสริมอยู่แล้วให้ไปรู้จักความจริงของประเทศไปที่ไหนก็ได้ไปที่ทุกเวทีในเมืองกรุงเทพไปที่ต่างจังหวัดประเด็นสุดท้ายครับประชาธิปไตยกำลังเกิดขึ้นอีกยุคครับประชาธิปไตยตัวตนที่เรียกว่าเรามีส่วนร่วมภาษาทฤษฎีว่า การดิเรกดิโมการซีครับคือเราเจ้าของอํานาจวันนี้เราขอกําหนดตนเองได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมหรือต้องรอใครสั่งไหมรอคําสั่งจากตาคูตไหมเราต้องเข้าไปในสสก่อนจึงไปนั่งรับสภาแล้วจึงออกนโยบายไหมถามว่าวันนี้ลูกกรุณทําอะไรได้ไมต่ต้องยะแยะคนต่างจังหวัดก็ทําได้ไมยย่ยะแยะถามว่าใครสั่งเราสั่งตัวเองใช่ไหมด้วยคําว่าจิตอาสา วันนี้ผมแสดงให้ประเทศเห็นอย่างที่พิยรกรบอกว่าเราตั้งหมหาวิทยาลัยได้ด้วยความรักรักในหลวงรักแผ่นดินแล้วก็รักจะส่งไม้ต่อก็ตั้งห้องเรียนไม่คิดราคาเลยครับแล้วพิสูจน์ว่าทําได้เพราะคนทําก่อนผมคืออโศก ค, ครับกลุ่มสันติอโศกพิสูจน์ว่าอยู่ได้ด้วยบุญนิยมคือจิตอาสาประเทศไทยใช้เงินมา80ปีแล้วแล้ววันนี้โลภโกรธหลงเต็มสภาหไหมครับเต็มประเทศไหมแล้ววันนี้สีเงินฟังให้ดีนะครับ สีธงชาติเรามีสามสีกำลังจางแล้วขาดวิ่นแดงขาดไม่ต่อกกับขาวไม่ต่อกับดําเงินแล้วจะพยายามให้ดําเงินหายไปเพราะเรายอมรับสีเงินเข้าใจไหมเงินคือดอลลาร์คือแบงก์บาทคือความโลภแล้วเราอยู่ใต้มันกันทั้งหมดใช่หรือไม่จบไปเพื่อเป็นขี้ค้าเขาใช่หรือไม่เป็นลูกจ้างอะ่ะใช่ไหมครับถามว่าวันหนึ่งเราเอากันศึกามาเป็นนายตัวเองได้ไหมวันนั้นเราอยากเห็นครับคือวันที่เราปลดแอกตัวเองจากใจจากเงินที่ครอบงําเรา แล้วผมทำมาทั้งชีวิตก็คนพบว่าไม่ง่ายครับการต่อสู้ทั้งหมดถ้าด้านกายอยู่ที่ลาดดำเนินอยู่ที่ปทุมวันถ้าด้านใจอยู่ที่ไหนครับในตัวทุกคนเองครับการปฏิวัติครั้งนี้ถ้าไม่ปฏิวัติตัวเองรู้ว่ามีอำนาจใจอยู่ที่จะสั่งตัวเองเนี่ยก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ตบมือให้กับผู้ชนะหรือผู้แพ้ที่ลาดดเนินหรือที่ปทุมวันใช่ไหมครับ ถามว่าอะไรอํานาจชี้ขาดถามในห้องนี้ผมกําลังตั้งสภาประชาชนถามห้องเรียนนี้เลยระหว่างอํานาจรัฐที่กําลังจะแตกหักหมบหมดอหิงสากำลังจะหมดไปประเด็นสุดท้ายเรื่องยุทธศาสตร์หรือพูดครับเราใช้อหิงสาในมวลประชาชนใช่ไหมแต่อีกข้างใช้ปืนใช่ไหมเมื่อวานผมต้องไปให้ศพทีมงานผมคนหนึ่งเพราะถูกปืนเราประกาศใช้ยุทธศาสตร์อหิงสาแต่อีกข้างหนึ่งใช้ปืนเพราะเราแย่งกันระหว่างอํานาจรัฐ ใช่ไหมที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่อำนาจใจแย่งไหมครับลูกหรุณอยากทําอะไรทําได้วันนี้เปิดพิทีได้ถามว่าต้องรอลูกสุเทพสั่งไหมครับต้องรอรัฐบาลแต่งตั้งไหมครับเป็นการพิสูจน์ไหมครับว่าเราจัดตั้งตนเองแล้วเราเรียนรู้กันได้ไหมครับเราเครื่องตัวเองได้ไหมนี่แหละครับผมอยากบอกว่า5ประการนี้โจที่ยัง อ, อ, อยู่โจทที่สี่นะครับคือเราสู้กันระหว่างวิธีคิดคนมารึใจเลยนะครับว่าใจที่ รอฟังคําสั่งกับใจกําหนดตนเองตอนนี้วิธีคิดครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าผลาดามเราติดผราดามประชาธิปไตยเลือกตั้งเอาตัวแทนพวกหนึ่งก็เอาสั ญ, ญลักษณ์แต่เราเอาใจเราไหมตัวแทนออกมามีส่วนร่วมทั้งประเทศคนสิบล้านคนนะครับจะพริกประเทศแล้วคนที่จะเข้าไปนั่งสภาและเปลี่ยนแปลงทุกเมืองก็คือคนคนเยาวชนรุ่นนี้ครับใช่หรือไม่ผมอีกสิปีถ้าอยู่ถึงก็ตายแล้วใช่ใช่รุ่นนี้ไหม ถามว่าเราเพราะอะไรให้เขาเพราะคุณทํามไหมเพราะความรู้ไหมเพราะความกล้าไหมถ้าบมดนี่คือสิ่งที่บุญมหาปยชนทรัพย์เป็นครั้งแรกที่ทะวงทำไม่ได้คือการเปิดมหาวิทยาลัยเปิดทั้งประเทศและให้คนตั้งคำถามให้คนคิดให้เลือกครูเองแล้วออกมาพูดเองพูดจากสิ่งที่ทำใช่หรือไม่ครับคราวนี้กรุงเทพ ผมทำนายว่าอีก3าถึงหเดือนจึงจะแตกหักเพราะว่าหนึ่งต้องให้ได้ไมาว่าใครจะได้อานาจรัฐแล้วสถาปนารัฐถาที่ไปเพื่อได้กฎหมาย2คือไปตั้งสภาประชาชนจะรูปแบบไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกว่าตางจังหวัดเราดมกันแล้วเมื่อวานผมอยู่ที่ที่ลำปาง 3. เราต้องทําคืออะไรครับวางแผนว่าจะขับเคลื่อนประเทศลูกประเทศไทยไงที่รีสตาร์ตเมื่อวานเราคุยกันแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3าถึงหเดือนและระหว่างทางเนี่ยทุกคืนบาดเจ็บเมื่อคือนก็ M79 ลงที่ราดพราว แล้วเมื่อกี้นี่ผมนั่งคุยกันในพลที่เคยอยู่ปี53ระดับคนเอกทั้งนั้นเลยก็ได้แค่พูดเขาพบว่าพลังทหารในอดีตพลังธุรกิจอย่างที่เรากลังเจอมันหมดไปแล้วครับถามว่าเราเคลื่อนด้วยอะไรครับคราวนี้จุดสุดท้ายครับโซเชียลมีเดียซึ่งดรสุเกเก่งกว่าผมเราใช้การเคลื่อนไหวข้อมูลสูงมากใช่ไหมครับแล้วนาทีต่อวินาทีเลยผมมาพูดที่นี่ บางคนรู้แล้วว่าผมมาบอกให้รู้ได้ไงบอกพี่เขาใส่โซเชียลมีเดียสุธินตายเพิ่มเดียวรู้ทั้งประเทศเลยมันโตหากันบอกว้าพี่สุธินตายแล้วอเออกูรู้แล้วเราก็ตั้งโจทย์ว่าให้เองเป็นเจ้าภาพแบ่งงานแล้วคิดเรื่องลูกสาวมาแล้วเพราะประเด็นว่าโซเชียลมีเดียมันทํางานภายในวินาทีคลิปเนี่ยตัวดีผมได้ข้อมูลเต็มเลยเพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกที่เราใช้การปฏิวัติที่ไม่ใช่ปืนไม่ใช้ มวลชนเฉยๆจำนวนคนแต่ใช้การเคลื่อนข้อมูลที่สูงมากใช่หรือไม่ครับแล้วถ้ารุ่นนี้ไม่ใช่ถามว่าเยาวชนรุ่นนี้ใช่อะไรครับใช้โซเชียลมีเดียเป็นการแต่เล่นเกมแชทน้องหนูวังฟังให้ดีนะครับวันนี้พวกมวลมหาประชาชนซึ่งรือลายส10ปีเองเขาใช้โซเชียลมีเดียหมดแล้วมันรุ่นนี้จะจกกอกการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์อยู่เหนือฝรั่งที่เอาเกมมาหลอกเราเอาโฆษณามาหลอกเราเอา iPhone iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่ ที่ใช้ไม่ค่อยเป็นนะแต่ถ้ารุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราเห็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นพ่อซึ่งเป็นบางไม่เป็น บ, า ง, นบางใช้ก็แหลกลาเลยผมขอตั้งนี้มามวลมชนที่2นะครับวันนี้ผมอยู่การจัดการจังหวัดจัดการตัวเองเรากําลังคิดว่า80ปีที่ทุกอย่างรวมศูนย์อยู่กรุงเทพแล้วก็กําลังจะรวมศูนย์ที่ที่ลุงสุเทพในฐานะขบวนนะแต่เราเคลื่อนตัวเองได้ไหมเราก็ตั้งคําถามว่านี่คือการกระจายอํานาจให้กําหนดตนเองในจังหวัด ซึ่งเราทำมาแล้วที่ตําบลที่อําเภอที่ลุ่มน้ําที่จังหวัดที่กลุ่มจังหวัดแต่เราไม่เคยคิดเรื่องการปกครองเพราะเราคิดว่าเราต้องรอขอแบมมือขอเงินขอกฎหมายเพราะว่ากฎหมายออกที่สภาเงินก็ออกโดยพรบเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่คนต่างจังหวัดทนช่างกลางเต็มเลยอย่างผมผมก็ไปอยู่เชียงใหม่โทษนะครับอยู่ในดงเมื่อวานนี่เปิดเวทีตั้งคําถามคนลาปางซึ่งแดงเหลืองคนต่างจังหวัดไม่ติดกับดักเรื่องแดงเหลืองเรื่องอุดมการณ์ แต่ทําอย่างไรจะปฏิรูปจังหวัดตนเองเราก็ถามว่าอีกสิปีอยากเห็นอยากเป็นอะไรเราดมกันทุกคนมีความคิดใช่บัตรธรรมออกมาหมดแล้วครับเขาคิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับชนเผ่าเอาห้องเรียนเป็นห้องเรียนเรื่องการปฏิรูปชนเผ่าไปสำรวจคนว้นคว้าภูมิปัญญาของชนเผ่ามง้งชนเผ่าอาขาชนเผ่าลีซอแล้วเอามาเรียนกันแลกเปลี่ยนในห้องเรียนว่ามีความเชื่ออะไรมีหมอผีอะไรมีพิธีกรรมอะไรบ้าง มีการปฏิบัติเรื่องไร่นาะเรื่องป่าอะไรบ้างเป็นการฟื้นครับในอดีตทํำลายเข้าไปหมดเลยทั้งคนทั้งความรู้ทั้งความเชื่อถือตอนเองนี่เรื่องที่สองนะครับการศึกษาเราก็ทําจังหวัดหลายจังหวัดทําเรื่องสวัสดิการทําเรื่องสุขภาพทําเรื่องลุ่มน้ําการจัด ก, การดินน้าป่ามียายที่จะฟังป่าไม้ครับป่าไม้บอกเฮ้ยป่าสงวนของกูมึงอย่ายุ่งชาวบ้านบอกว่าฉันรักป่านี้ฉันเกิดฉันแกฉันหาหนอฉันหา ฉันเดินในป่าจีบสาวฉันหาลิงหาข้างหาเห็ดในป่าทั้งนั้นในป่าคือเซเว่ของฉันคือแมโครของฉันเพราะฉะนั้นทำไมไม่ให้สิทธิ์ฉันเมื่อเองไม่ให้ฉันก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของด้วยความรักอันนี้เขาก็เ ข, ข, ข, ข้าทําเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากบอกว่าในต่างจังหวัดนะครมวลมหาชนมีสองบรรยากาศหนึ่งต้องเข้ามาร่วมรบที่กรุงเทพด้วยความรุนแรงเป็นบางครั้งแต่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรูลำนำเนี่ยก็รู้จักการใช้อิงสาแต่เขาไม่ใช้ความรุนแรง ในต่างจังหวัดทุกพื้นที่นะครับเขากำหนดตนเองว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะส่งไม้ให้ลูกหลังอย่างไรแล้วที่สำคัญคือจะปกครองตอนเองหรือกันเองได้อย่างไรโดยอออรอพรบ อ, รอยู่วันนี้นะครับ24มิมุนาคือสั ญ, ญลักษณ์อาจารย์ปีดีเมื่อ 70-80 ปีที่แล้วคือผู้ที่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ ให้กษัตริย์ซึ่งมีทศพิธราชธรรมอย่างรัชกาลที่๖ของเรามาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่วันนี้ประชาชนต่างจังหวัดกําลังจะขึ้นพหลบบตัวเองเขาร่วมกันล่างร่วมกันเปิดเวทีแล้ฟังแล้วเขาจะสถาปนาร่วมกันครับพหลบบของเขาเองแล้วก็ภายเรียกว่าพหลบบจังหวัดปฏิรูปตนเองมารับฟังทั่วประเทศครับ77จังหวัดถามว่าพี่เคลื่อนไปแล้วไปกําลังออกรับฟับงกัน เราจะเอาข้อเสนอภาพประชาชนมาเสนอลุงสุเทพมาเสนอสาธารณะว่าวันนี้ขอสิทธสี่เรื่องครับนึงขอเลือกตั้งผู้ว่าสองขอภาษีทึ่งน้องๆได้ 70% เท่ถ้าอยู่กรุงเทพพี่ซวยหน่อยอยู่ต่างจังหวัดได้ 30% แล้วก็ได้ค่าชการไปปกครองภูมิภาคเต็มเลยขอเปลี่ยนเป็นให้ภาษีไปอยู่ต่างจังหวัด 70% และกรุงเทพเอีกสไปดูแลเรื่องการทูตการทหาร สา şey, um ี่เรียนสำคัญนองนั้นคุณอย่ายุ่งการศึกษาคุณอย่ายุ่งการตํารวจคุณอย่ายุ่งการสุขภาพคุณอย่ายุ่งให้จังหวัดเขาว่ากันเองเรื่องที่สเรื่องอะไรครับสภาประชาชนที่หลุงสุเทพกำลังพูดเราถามเมื่อวันก่อนที่ลําปางว่าหนึ่งคนจะมีใครบ้างให้ได้ทุกอําเภอได้ไหมทุกอาชีพได้ไหมแล้วชาวนาหายไปไหนคนพิการหายไปไหนคนชาวเขาที่ลําปางหายไปไหนเราจะคิดแต่ตัวเราอ้าวเขาคิดได้ว่าเออคุณจะคนนั้นมาอ้าได้แล้วเขาคิดถึงใครบ้างสภาประชาชนสองถามว่า ควรจะมีอำนาจบทบาทอะไรเขาก็ออกแบบกันเต็มเลยว่ามี4ี่บทบาทพี่ไปลงเรื่องที่สามถามก็อีกจะได้มาอย่างไรเออคัดเลือกดีนะคัดสรรคนดีเลือกตั้งด้วยนะสัก 30% แล้วพวกจิตอาสาอย่างที่ลงุงลุงอรุณฝึกคนให้น้องๆเป็นจิตอาสาก็ให้สัดส่วนเข้ามาเพราะคนเหล่านี้มันสัง่งไม่สัง่งมันก็จะทำอะ่ะเพราะนั้นเราก็ได้ไปสามทางแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าผมก็ยุตอบบอกงั้นไปรายงานลุงสุเทพเลยว่า คนลำปางคิดได้แล้วตอนนี้คนในต่างจังหวัดมวลมหาประชาชนกําลังคิดไปอนาคตครับเมืองไทยติดกับดักเรื่องประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วก็ไม่ไปไม่ลึกแล้วครับลึกลึกแค่ทักสินความภาคภูมิใจซึ่งเราออกเขาไม่ไปถึงแล้วกําหนดอนาคตถ้าการเป็นรูปเรานี่มองไม่เห็นว่า10ปี20ปี30ปีเราจะเปลี่ยนจากเป็นที่โหลของแอฟริกาต่อท้ายเขานะมาเป็นที่หนึ่งของอาเซียนได้ไหมน้องๆอยากเป็นไหม อยากเป็นไหมครับพูดภาษาอังกฤษเป็นหรือยังพูดจีนเป็นหรือยังพูดมาเลภาษาเ ย, ยวีเป็นอย่างในอนาคตจะมีสภาษาใหญ่ๆครับภาคใต้เราเป็นใครครับภาคใต้เป็นใครโรกมุสลิม200ล้านคนอินโดมาเลฟิลิปมาเลอะไรอีกฟิลิปปีดอีกเขาพูดภาษาเ ย, ยวีกันน้องพูดเป็นไหมพูดเป็นภาษาไทยครับผม พอขึ้นไปเหนือหน่อยพ้นเชียงรายพูดภาษาอะไรกันในอนาคตน่ะจีนจีนแล้วบางคนก็จีนเตี้ยเดาเองนะว่าแปลว่าอะไรพวกหมอหอยหิบอยู่หน้าพวกนี้จีนเตี้ยนั่นแหละสถ้าเราไปพม่าพูดภาษาพม่าไม่ได้ไปเวียดนามพูดภาษาเวียดนามไม่ได้พูดภาษาอะไรครับอังกฤษจะไปยุโรปไปอเมริกาต้องพูดอังกฤษแล้วเราพูดภาษาคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ยังเอ้พูดภาษาอื่นหรือยังนอกจากภาษาไทย โทษถ้ามีสาล้านคนถามว่าอนาคตอย่างนี้เรากำหนดตนเองกัอย่างรุ่นนี้เตรียมพร้อมมั้ยยังนี่คือประเด็นว่าคนไทยมูลมหาประชาชนเรากำํำหนดอยู่กับอดีตแล้วก็ติดลมความขัดแยง้งแย่งชิมอํานาจโดยคิดว่าอํานาจกลายเป็นใหญ่เพราะาโลภโตรธหลงโลภถึงเงินโตรธคือวันนี้เห็นกันไหมครับตายทุกวันหลงคืออะไรฉันมีอํานาจชันจะเป็นใหญ่มันคำฟ้าตลอดชีวันประชาธชนใจต้องของกู ไม่ใช่ของทั้งหมดไม่ใช้โลภโกรธหลงเนี่ยมันกำหนดให้คนไทยเนี่ยเหมือนไก่สองตัวอยู่ในเข่งครับในเราตีกันแล้วก็พอใครชนะก็ขึ้นข้ามันไก่ทั้งคู่นึก่อนไปครับเซตจีนเซตอเมริกาน้ำมันใต้ดินเรานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่าขณะนี้มวละหาชนที่ฉลาดมีหพลังที่ผมเห็นครับที่จะไปต่อทาอย่างไรจะรักษาโมเมนตัมที่เกิดนี้ได้ เห็นหพลังครับที่กำลังจะยกระดับหนึ่งคือพลังความรู้ข้อมูล2คือพลังความร่วมมือไม่เคยเห็นคนไทยในอดีตจนผมผมเกิดมา80ปีนะมีเวละเดียวทั้งประเทศคือกูอยากปฏิลูกไม่ว่ามึงจะสีไหนวันนี้ผมพิสูจน์ได้ที่ลําปางมาเมื่อวานนี้เองคนคิดเรื่องเดียวกันฉันอยากเห็นลําปางใน10ปีข้างหน้าเป็นยังแล้วแบ่งงานกันทํถาถามว่ารอคําสั่งอทิบดี iero, ไม่รอ เพราะฉะนั้นนี่เรื่องที่สองนะครับพลังการร่วมมือที่ไม่เคยมีในอดีตเลยแล้ววางที่อยู่เหนือความขัดแย้งได้พลังที่สามครับเดี๋ยวคอนดูโนดอะไพลังโซเชียลมีเดียเต็มเลยไหมวันนี้ถ้าใครรับมีเดียจากมวลมหาประชาชนมาพึกบวันหนึ่งนี้เต็มเลยจนกระทั่งน้องๆไม่เรียกรับนะเขาเรียกจะเป็นคน overwhelming คือมันเขาเรียกผัสสะถูกกระแทกข้อมูลเยอะมากเบลอเลยเอ่อ โทษนะครับครอบครัวพิยอดเขารู้จักสามีอยู่ดูทีวีแดงภรรยาดูทีวีเหลืองพราะกินข้าวก็ปะทะกันแล้วนี่คือบ้านเราสังคมไทยเราถามว่ารุ่นนี้จะเป็นไหมอยู่ที่การใช้โซเชียลมีเดียนะครับวันนี้เราใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างสูงทั้งคู่แต่ว่าเสี่ยงทั้งคู่เพราะเราสร้างความแตกแยกของคนไทยร่วมกันแล้วคนไทยแตกแยกแล้วจะไปสู้ใครขครับวันนี้เราสู้เวียดนามไม่ได้ เพื่อนผมเพิ่งมาจากมาเลย์บอกโทษทัมหาวิเลยมาเลย์และสิงคโปร์ไปไหนแล้วไม่รู้ผมรู้มานานแล้วเพราะผมเคยไปตั้งแต่สมัยยูจูลาวันนี้กเกษียณแล้ว ก, เออเก็เราก็เทียบได้มหาวิเลยไทยแล้วก็คิดต่เรื่องเงินใหญ่เปิดตีโทเอะเปิดทั่วประเทศเลยเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านีมันอยากเรียนว่าพลังโซเชียลมีเดียสุดท้ายครับคือการที่มีทุนทางสังคมที่ในรุ่งอรุณมีที่น้องๆมีที่ พวกผู้ปกครองมีที่วันนี้จัดตั้งนี่เขาเรียกทุนทางสังคมและมันควักตังของตัวเองเหมือนลุงสุเทพที่เวลาฟ้าแค่ลุงสุเทพไอ้การควักชนิด น, นี้ เ, เขาเรียกทุนทางสังคมมันเป็นเงินก็ได้เป็นใจเป็นความร่วมมือเป็นเอาแรงออกแรงกันผมพบตั้งแต่ปีสี 1, ว่าทุนชนิดนี้มีอยู่ในเมืองไทยจริงแต่เราติด ก, กับดักเรื่องอำนาจรัฐอำนาจเงินซึ่งเป็นเรื่องกายครับเพรฉะนั้นอยากบอกทิ้งไว้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะสร้างโมเมนตัม ไปอนาคตเนี่ยไปด้วยอำนาจใจเนี่ยไปได้เลยไม่ต้องรอ6เดือนหรือ3าเดือนข้างหน้าซึ่งเสี่ยงกับลูกปืนทุกคืนขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อเนกนะครับอาจารย์อเนกอธิบายด้วยลีลาที่ชัดเจนทำให้ผมต้องหันหลังไปดูชาข้างหลังครับยังไม่มีคำว่าชัดดาวแบงกอกกับรีสตาร์ไทยแลนด์นะ ยังเป็นการเรียนรู้ปรากฏการณ์มวลมหาประชาชนอยู่นะครับท่านสุดท้ายครับเรียนเจริญอาจารย์ประพาพัฒครับกลับนมัสการพระคุณเจ้านะคะกลับเรียนท่านอาจารย์ลภพีแล้วก็ท่านวิทยากรผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในทนี่นี้นี่นพู้คนสุดท้ายนีย่จืดเลย <laughs> อาจารย์ออดวางยานะ อ, อยากจะบอกพวกเราว่าเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่เมื่อเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองทุกวันเลยว่ามาเช็คดูอะ่ะเหมือนตรวจอุณหภูมอิอ่ะไม่ทราบอาจารย์เป็นไหมเนาะ มันต้องกลับมาเช็คกันว่าอตอนนี้เราไข้ขึ้นหรื อ, อยังอยตอนนี้เราความดันขึ้นหรื อ, อยังนะมันเหมือนต้องกลับมาตรวจดูตัวเองว่ า, าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่แล้วเราทําอะไรอยู่นะเหตุการณ์นี้มันสอนเราให้เกิดทักษะใหม่นะทักษะในการกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นนะ แล้วเราก็พอเราหันกลับมาดูที่ตัวเราเองปุ๊บนะแล้วเราเริ่มรู้ว่าเออเราเข้าขั้นสับสนไหมนะนะเราเข้าขั้นที่เรียกว่ามีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าอารมณ์ร่วมกับมอบหรือเปล่าเนาะหรือเราเข้าขั้นที่เรียกว่าเบื่อลำคาญหงุดหงิดไม่เอาด้วยดีกว่า เป็นไทยเฉยๆก็ดีแล้วนะเราก็เริ่มเรียนรู้นะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะมีใครได้มีโอกาสตรวจสอบตัวเองบ้างไหมคะยกมือขึ้นหน่อยหนึ่งโอ๊ยมีเยอะเนาะเด็กๆเป็นอะไรเป็นอาการไหนยังสนุกอยู่ <laughs> เป็นอาการไทยสนุก <laughs> เราไม่เฉยนะสนุก <laughs> นะคะตรงนี้อะฮะที่เราเริ่มเห็นแล้วว่า คนไทยทุกคนตอนนี้เนี่ยนะอยู่ในโหมดเดียวกันค่อนข้างจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าเริ่มเกิดการตระหนักเรียนรู้บางอย่างเริ่มเรียนรู้บางอย่างแล้วเราก็จะหันกลับไปมองสังคมว่าสังคมเราเป็นยังไงอะ่ะทำไมมันมาถึงจุดนี้ได้อะ่ะ ทำไมมันถึงพาเหตุการณ์มาถึงเราได้ในวันนี้อะ่ะเป็นอย่างเนี้ยมันมาได้ยังไงมันตั้งคำถามเนาะมันหลุดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทำไมคนไทยถึงได้มีความคิดที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดในโลกได้สองทางทางหนึ่งก็คือ ทางหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือไม่เอาด้วยกับกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปฏิเสธไม่ยอมรับรู้ในความผิดความไม่ดีหรืออะไรก็ไม่เอาเลยทั้งสิ้นแปลกประหลาดมหาสารเจนเป็นพันใหม่ของมนุษย์หรือเปล่าเนาะอันนี้อันนี้ทางหนึ่งนะแปลกประหลาดมหาสารเจที่หนึ่ง แปลกประหลาดมหาสัจจรนท์ที่สองอีกด้านหนึ่งคือโอ้ยเราพบว่าคนไทยนี่อดทนเป็นเลิศนะมีความอดทนเป็นเลิศแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเรามีความอดทนเป็นเลิศที่เราสามารถที่จะอยู่ได้กับความไม่ชอบมาพากลมาเป็นเวลานานมากเลยจับมือตัวเองหน่อย บัดนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเออมันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทั้งสองข้างเลยแหละนะอืมตกลงมันพอดีไหมเนี่ยหาที่พอดีเจอยังยังไม่เจอเนาะแล้วมีความสุขไหมคะคิดว่าเราจะมีความสุขอยู่ในวันนี้และในวันพรุ่งนี้และในวันต่อๆไป ในเดือนหน้าในปีหน้าและในวันต่อๆไปของลูกหลานของเราเราเริ่มคิดแล้วใช่ไหมเอ๋เราจะมีความสุขจริงหรือเปล่าเนา ะ, ะถ้าพูดกันง่ายๆอย่างตัวเองเนี่ยวันนี้มานี่ต้องไม่ได้ไม่ได้พูดในนามโรงเรียนรุ่งอรุณ น, นะไม่ได้พูดในนามโรงเรียนรุ่งอรุณนะไม่เกี่ยวกับโรงเรียนรุ่งอรุณ น, นะมาเอง พราะยอดเชิญมาเลยมาเองเป็นเรื่องของตัวเองความคิดของตัวเองเนาะความรู้สึกของตัวเองประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ว่าเราเราก็เริ่มที่จะตอนแรกแรกเนี่ยเราก็เริ่มตำหนิโน่นนี่นั่นนะเราเริ่มด้วยอาการเช่นนี้นะ เราเริ่มมองไปข้างนอกเริ่มตำหนิไอ้นันก็ไม่ดีไอ้นีก็ไม่ใช่ไอเราเนี่ก็เป็นคนดีเนาะเราก็เป็นคนดีพอสมควรเลยทีเดียวแหละอยากทำอะไรดีๆแต่ก็ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทายากมากนะทำเรื่องดีๆยากมากอา้าวครูลุ่งอรุณ น, นะนา่าน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดี <laughs> ตบมือสิ <laughs> ต้องเอาแบบมุกมุกอาอาเนกนะนะ ทำเรื่องดีๆมันก็ย่อมยากอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องไปโทษใครหรอกนะแต่เราก็จะโทษอะ่ะเราก็จะมองเรื่องนั้นมองเรื่องนี้มองเรื่องโ น, น้นไอ้นั้นไม่ดีนี่ไม่ใช่ไปหมดแล้วเราก็เริ่มหาแพะเริ่มห า, าว่าเหตุการณ์อะไรนะมันทำให้สังคมเราเก้าวผิดพลาดมาจนถึงขนาดนี้นะเราก็เริ่มมองหาหาไปหามาหาไปหามาท่านว่าเจอห นักเรียนว่าเจอไหมหาเจอไหมวันนี้อาจารย์หาเจอไหมนักเรียนขาไม่น่าจะเจอเนาะถ้าเจอก็คงไปเป็นนายกแล้วอ่ะหาไม่เจอคะ่ะนะคะ ม, มันไม่ใช่จะได้คาตอบอะไรมาง่ายๆแล้วไม่ใช่จะได้คาตอบอะไรมาจาก สติปัญญาชุดเดิมๆที่เราชอบไปมองหาจากที่อื่นไปมองหาจากค น, คนอื่นไปเรียกร้องจากคนอื่นหมดยุคแล้วอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วก็เกิดอาการเดียวกับอาจารย์สมเกียรติคือเริ่มไปหาหนังสืออ่าน <c oughs> ใช่ไหมเริ่มไปหาหนังสืออ่านเออใครก็จะพูดอะไรไว้ยังไงแต่ว่าในโลกหนังสือของเราเนี่ยเราอ่านหนังสือธรรมะนะ เราก็เริ่มไปค้นอย่าง้ทุกวันนี้ก็ยังเมื่อเช้านี้ก็ยังอ่านอยู่เลยนะไปเปิดหาจะเข้าใจใได้ว่าอสมมาทิฏฐิเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์เนาะมันเริ่มสนใจคำนี้เนาะมันเริ่มมองหาอะไรที่ใช่สักอย่างหนึ่งนะแล้วก็อมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะสิ่งอะไรนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเราต้องยอมรับเลยว่าขณะนี้สังคมเราเนี่ยตกอยู่ใน สิ่งที่เรียกที่ตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิมากเราเลยไปไม่เป็นอะไปไหนก็ไม่ได้นะสติปัญญาระดับเดิมของเราเนี่ยมันเริ่มไม่พอแล้วมันเคยใช้ได้ดีเนาะมันเคยใช้ได้ดีมาตลอดระยะเวลายาวนานแต่มันก็พาให้เราเนี่ยวนหลงอยู่ในภาวะที่เนี่ย แม้ว่าเราจะต้องอดทนอยู่กับเรื่องไม่ชอบมาพากลเราก็อยู่ได้เป็นประมาณนั้นะนะคะตอนนี้เราเริ่มถามหาสติปัญญาชุดใหม่ไหมนะมันจะมีอีกไหมเนี่ยที่มนุษย์เราจะไปได้พ้นชุดเดิมๆนะคะเออมันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะ เราก็เริ่มไปเปิดหาเไปเปิดเจอเล่มหนึ่งของท่านเจ้าขุนพลมคุณาพรท่านประยุทธ์ประยุท์โตนะท่านพูดไว้เรื่องหนึ่งนะที่จริงเปิดหลายเล่มว่าไล่ไปทีละเล่มนะเล่มนี้เรียกว่าโดนใจนะคะเห็นไหมเราตำลาตะวันออกเราเราเริ่มหาตำลาตะวันออกเราอยู่ในสังคมในบริบทของตะวันออกใช่มท่านก็พูดถึงว่า ถ้าธรรมมาธิปไตยไม่มานะก็หาประชาธิปไตยไม่เจอเออเริ่มสะดุดใจเ อ, อ๊ะมันคืออะไรอ่ะเปิดเข้าไปพบว่าธรรมมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองท่านบอกอย่างนั้นไม่ใช่ที่จะไปเรียงแถวกันอยู่กับ อ, อ, อัตราธิปไตยหรือคณาธิปไตยหรือรัฐาธิปไตยหรืออะไรไม่ใช่ ธรรมมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองแต่เป็นภาวะภาวะของบุคคลภายในของบุคคลแต่ละคนนะภาวะของอะไรของอำนาจการตัดสินใจเรามีไหมคิดว่าแต่ละคนมีอำนาจการตัดสินใจอยู่ในตัวไหมคะมีัหมคะน่าจะมีนะน่าจะมี น่าจะมีอยู่เนา ะ, ะถ้าใครบอกไม่มีนี่ก็จะแปลกเลยเนาะอำนาจการตัดสินใจของเราที่จะกระทําสิ่งต่างๆนะคะเรามีอยู่แน่นอนเรามีอำนาจที่จะตัดสินใจเลือกที่จะเรียนไหมทุกวันนี้นักเรียนไม่ค่อยมีเยอะเขาบอกให้เรียนอะไรก็เรียนตามเขาใช่ไหมเขาจัดตารางสอนอะไรให้ก็เรียนตามเขาใช่ไหม เออนี่ไงเห็นไหมแล้วบอกว่ามีอำนาจการตัดสินใจไม่เชื่อละเนาะชักไม่ใช่แล้วเรามีอำนาจการตัดสินใจที่จะจัดการตัวเราเองไหมมีไหมมีใช่ไหมเออเช่นจะจัดการให้ตัวเราเองมาโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมจะจัดการให้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมจะจัดการให้มาสายก็ได้ใช่ไหมช <laughs> ักเข้าตัวเลยฮะ อำนาจการตัดสินใจนี้ชักเข้าตัวและใกล้เข้ามาทุกทีแล้วใช่ไหมหรือจะจัดการให้มาทันก็ได้ใช่ไหมนี่ไงอำนาจการตัดสินใจที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมีไหมไปอ่านหนังสือเองมีอำนาจไหมมีแต่ไม่ใช้ใช่ไหมใช่ไหมต้องคอยให้ครูมาอ่านให้ฟังเนะาะอย่างนี้เป็นต้น เออตกลงเรามีอำนาจอันนี้อยู่แต่เราใช้มันหรือเปล่าหรือเราใช้มันอย่างไรนะคะเราใช้มันอย่างไรท่านก็เลยให้หลักไว้ว่าถ้าจะเรียกว่าธรรมมาธิปไตยอ่ะท่านต้องใช้อำนาจการตัดสินใจของท่านแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะบนหลักง่า ย, ายสาประการหลักอันที่หนึ่งคือใช้ปัญญาแยกแยะ ผิดถูกชั่วดีให้ชัดเจนทำได้ไั้มคนทุกคนรู้ไม้มน่าจะรู้เนาะเออนักเรียนเราเก่งพยักหน้ายืนยันนะแสดงว่ามีปัญญาระดับนี้แหละ <laughs> แยกแยะได้ไหมผิดถูกชั่วดีได้ไหมนะคนสมัยนี้ได้ยินคำว่าชั่วดีนี่สะท้อนสะเทือนใจนะฟังไม่ค่อยได้รู้สึกคำนี้แรงไป <laughs> มีบางคนรู้สึกอย่างนั้นนะ ผิดถูกชั่วดีที่จริงก็เป็นคำโบราณก็ใช้มาตั้งนานแล้วใช่มมีปัญญาที่จะแยกแยะให้ชัดเจนว่าอะไรผิดถูกชั่วดีหลักที่สองคือมีความซื่อสัตย์สุจริตทำไปตามปัญญาที่บอกว่าอะไรถูกอะไรควรและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนี่ไงซื่อสัตย์ตรงนี้ไง ตรงไปตรงมาตรงนี้ไงไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆอะ่ะทําได้ไหมทําได้ปะบอกว่าการมาโรงเรียนเช้าเนี่ยดีนะมีปัญญารู้เนาะรู้แยกแยะได้เนาะแต่เป็นไงมาไม่ทัน <c oughs> มาไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะซื่อสัตว์ไหมอย่างนี้ซื่อสัตว์ไหมไม่ละคดละคดคดไปคดมาละเลีเ้ยวละ มีข้ออ้างโอ๊ยหนาวตอนนี้ตอนเช้าหนาวไม่อยากออกจากที่นอนใช่ไหมมันจะมีข้ออ้างต่างๆนานานะหลักที่สองตกลงต้องมีความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์สุจริตนะใช่ไหมทําตามที่ปัญญามันบอกเอาไว้อะนะนะอย่าไปหักหลังมันนะอย่าไปหักหลังมันใช่ไหมทําให้ขาดเลยปัญญาเนี่ยทำให้ขาดเลย นะให้มันรู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยนะอันนี้อันที่สองอันที่สามเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวโอ้อันนี้ก็ทำทำได้นะทาได้ไมทุกวันนี้ตอนนี้ทำกันใหญ่เลยนะเนี่ยคนไทยนี่ใช้ได้เลยนะเราก็ลองเปรียบเทียบดูตั้งแต่หลังเหตุการณ์สึนามิสึนามิ พอสถานการณ์สังคมเข้าสู่วิกฤตเนาะคนไทยดีมากเลยค่ะอันนี้น่าเคารพน้ำใจอย่างยิ่งเลยช่วยกันไหมช่วยกันใหญ่เลยนะตอนนั้นไม่มีแบ่งพักแบ่งพวกไม่มีแบ่งสีเลยนะโอ้พอใช้หลักอันนี้นะเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะมันไม่มีแบ่งพักแบ่งพวกเลยจริงไหมคะจริงเนาะ หลังจากซีนามิมาน้ำท่วมก็อีกแหละช่วยกันใหญ่เลยคนไทยน่ารักมากน่ารักมากชาติต่างๆต้องยกย่องแล้วเราไม่ได้ช่วยกันแต่เฉพาะในคนไทยอย่างเดียวนะที่อื่นเราก็ช่วยนะทีนี้พอมาเหตุการณ์คราวนี้มันยิ่งใหญ่กว่าซีนามิและน้ำท่วม <c oughs> มันเกิดเหตุการณ์ใจล่มสลาย หัวใจล่มสลายกันไปทั้งชาติใช่ไหมก็เลยเป็นไงต้องลุกออกมาช่วยกันเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเนาะทุกคนก็ไม่ค่อยจะอยากแบ่งพักแบ่งพวกถามว่าใครอยากแบ่งมั้งว่าสีไหนสีไหนใครอยากถูกป้ายสีมังมีไหมมียกมือหน่อยนะไม่มีเห็นไหมไม่มีใครยกมือเลยไม่มีใครอยากแบ่งสีนะ แต่เราอยากช่วยกันมากกว่าใช่ไหมอยากช่วยให้ประเทศชาติมันดีขึ้นอ่ะไม่รู้่啊ให้มันปลดจากอะไรก็ไม่รู้แต่ให้มันดีขึ้นจริงไหมคะจริงไหมมีใครคิดอย่างนี้บ้างเอาตกมือตกมืออ่าเริ่มตกมือแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะภาวะตรงนี้มันไม่มีสีนะมันไม่มีสี ไม่ต้องไปหาสีให้แล้วไม่ต้องมาถามว่าคุณทำอย่างนี้คุณอยู่ข้างไหนไม่ต้องถามใช่มทำได้เลยทาได้เลยถ้าใครมาถามก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพระอาจารย์ที่มาที่โรงเรียนเนี่ยที่ท่านมาสอนเนี่ยพระอาจารย์สงบท่านให้หลักไว้ว่าถ้าใครมาถามว่าอยู่ข้างสีไหนให้ตอบว่าอยู่ข้างสีดํากับสีขาวของตัวเอง ให้กลับไปดูในตัวคนทุกคนมีสองสีคือสีดําและสีขาวเหมือนกันทั้งหมดจริงไหมคะท่านมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ในตัวเองเป็นสีดําและสีขาวเหมือนกันหมดทุกคนเลยจริงไหมเออเห็นไหมแล้วเราจะไปแบ่งได้ยังไงอ่ะเราก็ไม่ได้ดีกว่าใครนะใครก็มาด้ดีกว่าเรา เราก็ไม่ได้ชั่วกว่าใครใครก็ไม่ได้ชั่วกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่างเหมือนเหมือนกันนี่แหละนะเป็นสีดําสีขาวเหมือนกันนะทีนี้พอท่านให้หลักไว้สามประการอย่างนี้อิชันก็ทํำยังไงพออ่านเสร็จอิฉันก็พยายามเผยแพร่แล้วพระอาจารย์สงบท่านก็บอกว่าอาจารย์ประพาพัฒ ช, ช่วยหน่อยทํำยังไงก็ได้ให้มันออกไปที่สื่อนะสีดําสีขาวในใจตัวเองเนี่ยนะก็พยายามจะทํานะ แต่เชื่อไหมไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันขายไม่ค่อยออกอะ่ะไม่ค่อยมีคนซื้อเนาะไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะอะไรหนึ่งเราอาจจะขายไม่ถูกเวลาลา 2. ไม่ได้ทำมาเก็ตติ้งนะสคือเราแบรนดิ้งมันไม่เป็นแล้วก็ทำแพ็กเกจไม่ดีเนาะก็อาจจะเป็นเหตุหลายอย่างก็เลยกลับมาชวนนักเรียนให้ทำสื่อใช่นักเรียนเนาะ นักเรียนมาทําสื่อกันไหมมาทําสื่อเพื่อที่จะประกาศเรื่องนี้นะเตือนสติสังคมกันหน่อยนะนักเรียนเขาก็ฟังเสร็จเขาก็เห็นด้วยเขาอยากทำเนาะเขาก็ลุกขึ้นทำนะแต่เขาทําเสร็จเขาไม่ได้สื่ออย่างที่เราบอกเนาขาสื่อเรื่องอื่นนะซึ่งก็โอเคก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเขาก็ตีความไปตามออความเข้าใจของเขาเขาก็ไปเตือนสติว่า อ, อ, อย่าให้มันแตกแยกกันในครอบครัวนะอย่าให้มันแตกแยกกันในที่ทำงานนะอย่าให้มันแตกแยกกันในโซเชียลมีเดียนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากมนักเลงเขาก็ไปตีความอย่างนี้แล้วเขาก็ทำสื่อออกมาเป็นวิดีโอคลิปซึ่งจริงๆวันนี้อยากเอามาใช้ดูแต่เขายัางทำไม่เสร็จ <c oughs> ดีค่าดูเดโมเขาแล้วใช้ได้ทีเดียวค่ะนะเราก็เริ่มมาชวนนะคะเสร็จแล้วเราก็ยังไปอ่านหนังสือต่ออีกนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า เอดูสิผู้คนมากันมากมายไก่กองเนี่ยนะเราเป็นบุคคลที่มาฟังอยู่ที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนรา ด, ดําเนินอีกเนาะมาถึงรา ด, ดําเนินมาจนถึงเป็น7เวทีเนี่ยนะโอ้เราก็ไปนะไปสัมผัสเขานะก็เจอคนรู้จักมากมายเหมือนมติ팅ใหญ่ระดับประเทศนะเจอคนทุก ทุกคนที่เราไม่เคยเจอนะแล้วรู้จักแต่ไม่เคยเจอแล้วก็เจอเต็มไปหมดเลยเอา้าก็ไม่ใช่ใครอื่นนี่นะนะแล้วทุกคนเนี่ยมีคุณภาพมากนะเข้ามาอดทนนั่งฟังเรื่องราวต่างๆอดทนอยู่กันอย่างมีวิ น, นัยมีคุณภาพมากๆเป็นที่หน้าน่าชื่นชมแล้วต้องเราต้องเคารพในในในจิตใจที่ดีงามอันนี้ ข, ของของทุกๆคนที่มาเลยนะ เข้ามาอย่างสงบเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเลยนะเจตนาดีมากเลยทุกคนเราก็เริ่มเห็นโอ้โหคนดีๆมาประชุมพร้อมเพลียงกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยแต่จริงๆกำนันนัดมาแต่จะว่าไปแล้วนี่ กำนันก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรนะัจะมานัดหมายคนได้มากขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฝ่ายเดียวใช่ไหมมันก็เป็นฝ่ายที่เราเองนั่นแหละเราก็มีใจที่จะไปด้วยครึ่งหนึ่งอะ่ะอย่างน้อยนะคะพอมาประชุมนัดหมายกันมากขนาดนี้เนี่ยเอ๋เราจะทําอะไรได้อีกไหมเนาะนี่มันคือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่สุดที่วิเศษที่สุดมีผู้เรียนที่มีคุณภาพที่สุดจะทําอะไรกันดีจะเรียนอะไรกันดีนะ เราก็เริ่มหันหน้าปรึกษาคนนั้นคนนี้เอ๊จะจัดกระบวนการเรียนรู้อะไรให้เกิดขึ้นได้บ้างนะในมวลมหาประชาชนทั้งออนกราวและออนไลน์อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะเราก็เลยได้ไอเดียว่าน่าจะหนึ่งใช้วิธีการให้เขาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหลักๆในเรื่องสองประการประการแรกก็คือว่า เหตุผลอะไรที่ต้องปฏิรูปมีความทุกข์อะไรแล้วก็ปัญหาอะไรที่มันน่าจะต้องปฏิรูปมากที่สุดนะที่ถามอันนี้ก็เพื่อที่ในอนาคตมันจะนำไปสู่คำตอบนะว่าเราประเทศเราเนี่ยจะตั้งเป้าอะไรจะชูธงอะไรนะในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยซ้าไปอันนี้เป็นโอกาสทองที่ดีที่สุด ที่เราจะทําเรื่องนี้มันไม่มีโอกาสอื่นมาให้ชัดเจนขนาดนี้อีกแล้วที่จะเอื้อเฟื้อขนาดนี้อีกแล้วมันไม่มีอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดไม่เชื่อลองดูสิโอกาสนี้มันเชิญอาจารย์สมเกียรติออกมาได้อะจริงไหม <laughs> อาจารย์สมเกียรติก็มาให้การเรียนรู้ในแบบของอาจารย์สมเกียรติคุณอนเนกนะซึ่งพยายาม ที่จะสงบส ง, งียมอยู่วันนี้ก็ได้ออกมาให้ความรู้ใช่ไหมพวกเราก็ได้เรียนรู้มันก็จะมีสไตล์ที่ว่าการเรียนรู้เนี่ยเออตอนนี้พวกเรานั่งฟังก็เป็นโหมดรับฟังเป็นขาเข้าอย่างเดียวขาเข้าอย่างเดียวขะเข้าอย่างเดียวอยู่นั่นแหละอยู่ประมาณนี้สองเดือนกว่าแล้วเนาะไม่มีขาออกเลยการเรียนไม่ครบวงจรค่ะคุณจะช็อตซะก่อน นะถ้าหากว่าความรความรู้เนี่ยมันเข้าอย่างเดียวแล้วมันไม่มีทางออกเนี่ยคุณจะช็อตซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องหากระบวนการเรียนที่ทำให้สิ่งที่อยู่ในใจท่านทั้งหลายได้ออกมาบ้างนะเหตุฉะนั้นเราจึงทำเนี่ยคะ่ะสรวจความคิดนะสำรวจความคิ ด, นะ ร, คคดร่วมลงขันความคิดเพื่อสร้างการปฏิรูปประเทศไทยขึ้น โอ้โหแผ่นใหญ่กว่าเดิมอา้าวพยาดเก่งมากเลยเชื่อถือถ อ, อ่ะโอเคนะคะไ ว, ไว้ตรงข้างหน้าขอบคุณมากค่ะสำรวจความคิดนะคะเพื่อสร้างสรรค์การปฏิรูปประเทศไทยนะหลายคนช่วยกันออกแบบนะหลายคนช่วยกันร่วมลงขันตั้งแต่ออกแบบเลยนะแบบฟอร์มเนี้ยนะร่วมคิดคำถามซึ่งออกมาสั้นๆไม่กี่คาถามหรอกเจ็ดถามก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุด นะแต่เพียงแต่ว่ามันพอจะใช้การได้ในเวลาอันจำกัดมากนะแล้วเราก็ต้องประสานสิบทิศเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายยอมให้เราทำแบบสำรวจนี้นะค่ะตรงที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากผมบอกว่ามีดเนี่ยเรารับเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดแต่สมองเรายิ่งรับมันยิ่งคมนะแล้วก็ ทั้งคู่เนี่ยนะเราเนี่ยกั บ, กบทุกๆคนเนี่ยเขาเพื่อนกันเพราะฉะนั้นข้างนอกกับข้างในเนี่ยข้างนอกเป็นอย่างหนึง่งจะให้เหมือนกันมันไม่ได้แต่ข้างในสิครับไอับคอนเชสเนี่ยเราจะรำลึกอยู่เสมอว่าเออเราเป็นคนด้วยกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจมีอะไรถามได้เลยคุยได้ค้านก็นยังได้นี่ผมชอบอย่างนี้ ขอบพระคุณค่ ะ, คคะ <c oughs> ทีนี้พอเราทำสำรวจด้วยกระดาษอันนี้เป็นหมดกระดาษนะเราก็จัดทีมนะลงไปทั้งเจเวทีเลยนะคะก็จะมีสถาบันการศึกษาที่มาช่วยเราอย่างเช่นที่แจ้งวัฒนะเนี่ยทางอาจารย์ที่ราชพัฏพระนครนะเป็นหัวหน้าทีมนะนำลงไปทำนะคะ สำรวจได้ประมาณ400ชุดนะ ท, ที่แต่เวทีนั้นประทุมวันเนี่ยจุฬากับทางสถาบันอาสมศิน์และโรงเรียนลุ่งอรุนลงไปทำแบบสำรวจนะคะหรือว่าทางราชประสงค์ผู้ปกครองลุ่งอรุณนี่แหละไปทำนะทาง อ, า อ, าอะไรล่ะสีลมอโศกสีลมนะะสีลมนี่ทางาส่วนลุมเนี่ยทางากลุ่ม ผู้ประกอบการสังคมหลักสูตรผู้ประกอบการสังคมลงไปทำนะคะทางอโศกก็มีกลุ่มพวกอาสาสมัครที่เป็นนักธุรกิจนะเขาลงไปทำนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเราทำรอบแรกอาทิตย์เดียววันเดียววันเดียวเราทำไปได้ 3,400 กว่าชุดน ะ, ะแล้วก็เราก็กลับมาประมวลกันว่าสิ่งที่เราทำไปนี้เนี่ยน ะ, ค, ะคนลงไปทำเนี่ยได้พบอะไรบ้างนะคะได้เกิดการ กระตุน้นกระบวนการเรียนรู้ไหมโอ้โหทุกคนฟีดแบ็กลับมาบอกลงไปทําใบหนึ่งตอนแรกคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะเพราะว่า1คนต่อหนึ่งใบใช่ไหมนึกว่าจะใช้คนละ5นาทีปรากฏว่าเขาคุยไม่เลิกนะขาออกเริ่มทําออกฤทธิ์แล้วนะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนถึง1ชั่วโมงนะคะเลยใช้เวลามากนะใช้เวลามาก ก็กลับมาสนทนากันอาจารย์อ้อยก็แนะดีบอกว่าอย่ากระนั้นเลยครับเราลงไปเปิดวงสนทนาเลยดีกว่าอ่ากล้าหาญสักไรยอย่างไรนี่นะใครจะลงไปเปิดวงสนทนาที่ม็บนะใช่ไหมปรากฏว่าลุ่งขึ้นทําจริงๆนะทําจริงๆก็นี่แหละนะชุดเดิมนี่แหละพวกที่ลงไปสํารวจนี่แหละก็ไปทดลองทํากันนะ ไปเปิดเวทีสนทนานะอุปกรณ์คือเสื่อหน่งผืนนะกระดานกระดานที่ติดบอร์ดอย่างเงี้ยนะคะติดกระดาษฟิปชาร์จนะวิทยากรสองคนนะกระบวนกอรไม่ใช่วิทยากรสองคนลงไปนะก็ไปชวนคุยล้อมวงคุยเลยนะปรากฏว่าโอ้โหได้รับความนิยมตอบรับดีมากนะคะยาเม็ดใหม่นี้ออกฤทธิ์ดีค่ะ นะคะการเรียนรู้ขาออกดีมากค่ะแล้วสิ่งที่เขาตอบมานี่มันสดมันสดมากมันไม่ใช่รวบรวมมาเป็นหมวดว่าปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไงใช่ไหมมันกว้างเกินไปนะเวลามันมาเป็นนโยบายมันเหลือคําน้อยๆแต่เรื่องราวที่มันออกมาจากปากของคนทุกคนเนี่ยโอ้มันสดแล้วมันบอกเหตุผลของมันเต็มที่ว่าทําไมถึงต้องปฏิรูปนะ อย่างบางคนนะไม่รู้ใครเล่าให้เราฟังนะอาจารย์เปิ้ลหรือไงไมันรู้ที่จริงวันนี้ควรจะขึ้นเวทีด้วยนะบอกว่าเขามาจากต่างจังหวัดเป็นครูนะเขามาด้วยเหตุผลเดียวเลยคือไม่ยอมไม่ได้ที่มีการหมิ่นพระมหากษัตริยนะ์เนาะเขาก็มามาอยู่ไปอยู่มาออกเงินเองนะเดินทางมาเองอยู่ มาแล้วมาเล่าเนี่ยมาฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาเอ๊ะได้เรียนรู้เยอะเลยเลยกลายเป็นว่าเขาอยากจะปฏิรูปหลายเรื่องนะเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเนาะในความเป็นครูของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่ะเรื่องราวมันก็พลั่งพลูออกมาโน่นนี่นั่นนะเยอะแยะไปหมดทีนี้ถ้าใครอยากจะสัมผัสรสชาต หรือฤทธิเดชของยาฤทธินี้ของเม็ดนี้นะขอเรียนเชิญรับอาสาสมัครลงไปจัดเวทีค่ะนะขอเรียนเชิญนักเรียนก็ได้นะคะผู้ปกครองก็ได้นะคะคุณครูก็ได้ลงไปจัดเวทีค่ะท่านจะได้ชิมรสชาติด้วยตัวเองเลยแล้วมันเป็นการที่เราเรียนรู้ได้ดีมากๆเพื่อเพราะอะไรเพราะว่าเขาฟังกันอย่างกลุ่มนึงนี้5้าคนเนี่ย เขาได้ฟังแล้วเขาได้แลกเปลี่ยนกันแล้วเขาได้เห็นถึงความแตกต่างนะเขาได้แชร์กันได้มาเติมเต็มกันอันนี้เป็นสิ่งที่วิเศษมากมากนะคะเราก็พบว่าเอาละการเรียนขาออกนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วและเราก็จะเดินหน้าต่อไปตอนนี้การตอบในแบบสอบถามออนไลน์ยังเปิดอยู่เป็นแบบสำรวจรอบสองซึ่งปรับปรุงจากรอบแรกนะคะวันนี้ขึ้นออนไลน์แล้วที่ Google d o c r e f อ r m for Thailand นะคะพวกเราเข้าไปทำได้นะคะใครๆก็เข้ามาทำแบบสำรวจนี้ได้นะคะหรือใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครในทีมสำรวจทีมประมวลเอาข้อมูลมาคีแล้วก็ประมวลข้อมูลแล้วเราก็จะวิเคราะห์กันโดยมีอาจารย์ที่คณะครุษศาสตร์จุลานะศาสตราจารย์สุวิมลท่านช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้มันก็จะออกมา เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นระบบมากๆน ะ, ะซึ่งเราก็จะดูผลกันในโอกาสต่อไปค่ะตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับเรามีเวลาให้พวกเราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยส่งม่ให้นะครับเชิญผู้ปกครองนักเรียนด้วยแล้วก็คณะครูหรือว่า ผู้สนใจที่มาอยู่ร่วมอยู่ในที่นะครับเราฟังมาสักระยะหนึ่งคิดยังไงกับเรื่องปรากฏการณ์นี้เชิญพวกเราแดกเปลี่ยนนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวใครอยากจะพูดยกมือนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งไม้ไปให้นะครับเชิญนะครับมีคุณกดนะครับอ่นะครับยกมือนะครับ เจอนะครับให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วผมขออนุญาตที่จะกํำกับเวลานะครั บ, รรบนัอนิมมัสการท่านอาจารย์นะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับคือผมก็ไปที่เวทีปทุมวันเนี่ยแทบทุกวันนะครับผมก็รู้สึกว่า เ, เขาพูดถึงเรื่องการจะปฏิรูปนะครับ ผมเข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบเป็นส่วนใหญนะ่แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีเบื้องหลังที่สำคัญกว่านั้นมาเช่นวิธีคิดหรือค่านิยมของสังคมที่ทำให้เหตุการณ์ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผู้ปกครองในสมัยอดีตเนี่ยจะบอกว่าพยายามเรียนให้เก่งเรียนให้ดีต่อไปเป็นข้าราชการแล้วหนูจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแล้วดูราชการทุกวันนี้ คำถามของผมครับก็คือว่าเราจะพัฒนาหรือว่านําสังคมเราไปในทางไหนที่จะทําให้แต่ละคนเนี่ยมีความเมตตาต่อกันแล้วก็เกิดค่านิยมว่าจริงๆแล้วความซื่อสัตย์จริิตเนี่ยมันเป็นความจําเป็นสําคัญสําหรับสังคมและประเทศชาตินะครับขอบพระคุณครับครับช่วยนักเรียนช่วยเอาไม้มาเลยครับแล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองท่านนี้ครับทางนี้ครับตรงกลางๆนี่ครับอ๋อได้แล้วนะครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับ ผ ม, ผมฟังแล้วโดยเฉพาะตัวอาจารย์สมเกียรติกับจํารภาพัฒนนะครับผมดูวิดีโอที่อาจารย์สมเกียิพูดไม่ได้ดูไม่ได้ไปที่เวทีได้ดูวิดีโอที่อาจารย์สมเกียรจพูดล่าสุดนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากเลยในขณะนี้ก็คือว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันทำให้มีหลายอย่างที่ทําให้หน่าวิตกกังวลนะครับหนึ่งเนี่ย เราไม่สามารถทำให้คนทุกคนในประเทศนี้คิดเหมือนกันหรือไปทางแนวเดียวกันนะครับไม่ว่าใครจะชนะในเครื่องหมายคำพูดในความขัดแย้งนี้นะครับคุณก็ต้องอยู่ร่วมกับคนที่เป็นฝ่ายแพ้ในเครื่องหมายคำพูดซึ่งก็จะคิดต่างกับคุณไปนะครับคุณชนะในกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเป็นฝ่ายไหนชนะหรือฝ่ายไหนแพ้ผมไม่ทราบเลย อย่างก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอีกค้าหนึ่งซึ่งมีจํานวนมหาศาลเหมือนกันนะครับหลายล้านคนเหมือนกันนะครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาให้เหมือนกับเราได้ผมว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากกระบวนการนี้ที่จริงมันมันมีมันมีมาก่อนแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ความพยายามทางการเมืองมาตั้งแต่ปี2500 2น0 0าร้อปลายปลายพัน3ม า, าร้อยันห้าจปัจจุบันนี่นะครับเอามาต้องคิดไปล่วงหน้าแล้วแหละนะครับว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนที่คิดต่างกับเรายังไง <น>อย่างมีความสุขอย่างยอมรับกันอยู่กันได้อย่างสันติอย่างเป็นมิตรเป็นคนในครอบครัวเมื at, ่อกี้ไม่ทราบผมจำไม่ได้ใครเป็นคนถามนะครับว่าในครอบครัวเป็นไงผมมีครอบครัวนะผมนะครับซึ่งมี ör, ลูกสาวสองคนลูกชายสองคนนะครับฝ่ายชายนี่อยู่ข้างหนึ่งนะครับฝ่ายผู้หญิงอยู่อีกข้างหนึ่งเขาไม่คุยเรื่องการเงินในครอบครัวเลยเพราะคุยไม่ได้นะครับเป็นครอบครัวนักธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับมันแบ่งกันขนาดนั้นซึ่งไม่ในครอบครัว ซึ่งเขารักกันมากนะครับแต่เขาไม่สามารถคุยเรื่องบ้านเมืองได้ซึ่งผมเวลาเราไปจัดงานที่บ้านเขารู้สึกมันเปืเป่ไปเรื่องประหลาดมากซึ่งมันก็ไม่แปลกแม่ในครอบครัวผมเองที่บ้านนะครับก็มีบางอย่างที่เริ่มรู้ว่ากับแม่เรากับเมียเราบางอย่างเราก็คุยไม่ได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดผมรู้สึกคนในสังคมนี้กําลังถูกบีบอัดให้ไม่สามารถจะมีเสรีภาพในการพูดได้ นะครับถ้าเราจะต้องรักษามิตรภาพรักษาความรักรักษาความเป็นเพื่อนความเป็นลูกความเป็นสามีนะครับไว้เนี่ยทำให้เราไม่มีเสรีภาพในความคิดในการแสดงออกเราไม่สามารถจะพูดได้ในสิ่งที่เราคิดนะมันถูกบีบอัดมากขึ้นทุกทีนะครับผมเห็นเพื่อนผมใน Facebook หลายคนเนี่ยเขาเขาระเบิดไปเนี่ยเพราะเขาพูดอะไรถ้าไม่ตรงกับข้างหนึ่งก็ถูกมองนาะทีว่าเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็เป็นศัตรูนะซึ่งน่ากลัวมากนะครับมันทําให้สิ่งที่ หลัก3อย่างที่อาจารย์เอาท่านประยุทธ์มาพูดเนี่ยนะครับมันถูกบั่นทอนไปตลอดเวลาในขณะนี้นะเราไม่ได้ตัดสินกันด้วยสติปัญญาด้วยความดีด้วยความถูกต้องแต่ตัดสินด้วยว่าคุณอยู่ข้างไหนนะครับออตอนนี้มีมีนักที่หลายคนพยายามเตือนเรื่องพวกนี้นะครับท่านพระบาทสมวิสาภลก็เตือนว่าการยึดติด ก, กับความดีเนี่ยนะครับก็เป็นมายาคติอย่างหนึ่งคุณจะทําร้ายคนอื่นได้ก็คุณสึกคุณอยู่ข้างความดี คุณทําอะไรกับคนที่เป็นคนชั่วก็ได้นะซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมว่ามันผิดนะเราเราไมา่เราไม่สามารถจะทําร้ายทําลา ย, ลายถ้าเรามองเห็นคนอื่นไม่ได้เป็นมนุษย์เท่ากับเรานะ wow. เขาคิดต่างกับเราเขาอาจจะมีความไม่ดีอยู่เขาอาจจะเราเห็นว่าเขาไม่เป็นประชาธิปไ ต, นในใตยอยู่แต่ถ้าเรามองเขาต่ํากว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์เท่ากับเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่มนุษย์นะครับผมสึกท่าน พ, พระพาชัยเงอันนี้ผมว่าสําคัญมากแล้วตอนเนี้ยผมว่าเรากำลังถูกบั่นทอนตรงนี้อย่างมากนะครับ การพูดจะให้เกลียดชังกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายอีกข้างหนึ่งแล้วใช้ได้เลยถูกต้องนะครับการพูดเหยียดหยามเพศหกพอดีนายกรัฐมนตรีเราเป็นผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นการว่ากล่าวแรงกว่าตัดพ้อที่อาจาลุงเกียรตพูดนะครับเป็นการว่ากล่าวจะด่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ใช้ความที่เป็นเพศหญิงเนี่ยนะฮะดูถูกเนี่ยผมรู้สึกมันถอยหลังกลับไปนะครับเราพยายามทำงานให้เรายอมรับเพื่อนมนุษย์ อย่างเสมอภาคมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราเอาตรงนี้มาใช้แล้วเนี่ยนะครับมันมันทำลายล้างการการมองมนุษย์ที่มีค่าเท่ากันมันหลายอย่างนะครับคือคื อ, คอมันทำให้หน้าเป็นห่วงนะครับเอ่อมันผมไม่รู้วสุดท้ายเนี่ยมันออกมาอย่างไรนะครับแต่ผมหวังว่ายังไงเราก็ต้องหาทางอยู่ร่วมกับเพื่อนในประเทศนี้นะครับที่คิดต่างกับเรารขอบคุณมากบคุณครับ มีท่านไหนจะยกมือขอผมขออนุญาตนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ดีมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมนึกถึงอะไรอย่างหนึง่งผมก็เก้าสิบกว่าแล้วผมนึกถึงตอนที่ผมอายุสิบสองสิบสามกรมศิลปากรเนี่ยมีอะไรอยู่อย่างโรลละครเก่า เย็นลงจะมีโตวาทีนะยังจำได้คุณธนิดอยู่โหนิเป็นดาราเลยการศึกษาเราเนี่ยถ้าหากว่าเปิดกิจกรรมอันนี้เนี่ยผมว่ามันดีมากการโตวาทีจะหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาพูดกันไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะกันนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็ การจะชนะม่ชนะเนี่ยมันอยู่ที่คนฟังแต่เราต้องทำใจให้นิ่งนี่นะครับทำใจให้นิ่งแล้วก็นึกว่าคุยกันนั่นแหละเพราะว่าเรื่องกาโตวัีเนี่ยมันน่าจะกลับมาหลายอย่างดีๆแต่ก่อนเนี่ยหายไปนะครับผมยังจำได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะว่าจะอะไรเนย เขียนเรียงความเน่ยถ้าจะไม่ถูกตกไปตัวตรงเนี่ยความมันเปลี่ยนนะฮะอาจจปุ่มเนี่ยผมได้ติดต่อได้คุยกับคนรุ่นหลังไปแล้วไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่ามักจะเจออย่างนี้นะครับไม่ได้ถอดใจออกมาแล้วก็เอามาคิดว่าเออที่ถ้าเราเป็นเขาว่างอะ อ่านตรงนี้แล้วจะคิดว่าอย่างไงพูดก็เหมือนกันนะครับถ้าการพูดการาต่างๆพวกนี้เอาใจเขาใส่ใจเราได้เนี่ยวิเศษที่สุดนะขอบคุณครับอาจารย์ครับเวลาไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่รอบสองนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การรอบสองนี้ผมอยากจะร่วม รูปให้ความเห็นกับปรากฏการณ์นี้สักนิดนึงเป็นการตั้งประเด็นนะครับความรู้สึกที่พวกเรามีจะมีส่วนร่วมกับปรากฏการณ์นี้มากน้อยแค่ไหนก็ตามนี่นะครับแต่ผมอยากเชื่อเห็นว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองนะครับทันทีที่ข้อเรียกร้องยกกระดับจากการคัดค้านพรบรนิรโทษกรรม ไปสู่การขับไล่รัฐบาลเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองนะครับผมอยากให้พวกเราตระหนักอันนี้ไว้การเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองหมายความว่าผู้ที่ยึดกุมอำนาจงบประมาณและกลไกทหารตำรวจจะต้องถูกเอาออกไปครับแล้วก็ต้องมีรัฐบาลหรือผู้ลวุมอนาจชุดใหม่เข้ามาแทนครับ ผู้กุมอำนาจเดิมเนี่ยซึ่งมีโครงการมีงบประมาณมีผลประโยชน์อยู่เนี่ยย่อมต้องขัดขืนต่อสู้แน่นะครับฝ่ายที่จะโค่นรัฐบาลก็ย่อมเพิ่มวิธีการกลยุทธ์ต่างๆที่จะโค่นอำนาจกันและนำไปสู่การประทะแน่นอนครับผมอยากชี้ให้เห็นว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ย ที่เราเห็นปรากฏการณ์ของคนมาเยอะๆนี่นะครับไม่ถ้าเป็นตัวอย่างของสังคมได้คือ14ตุลาโค่นรัฐบาลถนอมนะพฤษภา 2,535 โค่นรัฐบาลสุจินดานะ 2,549 โค่นรัฐบาลทักษิณ น, นี่เป็นครั้งที่4ที่จะมีการเ ป, ปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองอีกและทุกครั้งนะครับจะตามมาด้วยการตอบโต้ การปฏิวัติของประชาชนโดยการที่อีกฝ่ายหนึ่งที่สูญเสียอำนาจเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาหาวิธีการต่างๆที่จะให้ได้อำนาจกับเพืนมาเสมอครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เราจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติประชาชนและการตอบโต้การปฏิวัติของประชาชนนะครับถ้าเราเข้าใจนี้เราจะเข้าใจน้ำหนักของปัญหาว่าเรื่องขัดแย้งในครอบครัวเนี่ย เป็นปรากฏการหนึ่งเล็กๆนะครับแต่ที่ฆ่าฟันกันบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักหนาพอสมควรนะครับเพราะฉะมันท้าทายการคิดท้าทายการที่จะเข้าใจและท้าทายการลงมือปฏิบัติของพวกเราด้วยผมอยากจะชี้เห็นอีกนิดหนึ่งครับว่ารัฐบาลถนอมโดนโค่นไปเนี่อรัฐบาลสุจินดาโดนโค่นไปเนี่ย พวกเขาเป็นข้าราชการทหารระดับสูงการปฏิปัติ n ง่ายกว่าง่ายกว่ารัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยใหม่นะครับเพราะว่าด้วยฐานเสียงก็ดีด้วยกำลังทุนก็ดีเนี่ยและด้วยความสามารถในการครอบงำการเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถกลับมาได้อีกเสมอ ผมเคยเปรียบให้เห็นว่ารัฐบาลกลับมาได้เสมอด้วยกระบวนการกลไกการเลือกตั้งเรากำลังสู้อยู่กับมวลมหาประชาชนนี้กำลังสู้อยู่กับรัฐบาลที่สามารถกลับมาด้วยกระบวนการการเลือกตั้งได้อยู่อยู่เสมอๆนะครับเหมือนกับมังกรไฮดราในนิยายกรีกตัดหัวหนึ่งเนี่ยสองหัวโผล่ขึ้นมาตัดอีกสองหัวเนี่ย สี่หัวโผล่ขึ้นมาแทนที่ทันทีที่ข้อเสนอยกกระดับจากพรบรต่อต้านพรบรแล้วมาเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนะครับมันไปเดนมันเป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเหรียญด้านเดียวกันนะครับของการไม่เอาสิ่งเก่าเนี่ยมันต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วสิ่งใหม่นี่นะคราวนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะชี้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงคราวนี้จะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบข้าราชการระดับสูงไม่กี่คนนะครับมันจะเป็นนักการเมือง300กว่าคนนะและเครือข่ายธุรกิจของเขาอีกและข้าราชการระดับสูงอีกจำนวนมากๆพอสมควรนะที่อยู่ในกลไก ร, รัฐต่างๆที่เคยร่วมกันมาเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับปรากฏการณ์แบบนี้เองเนี่ยจึงทำให้ข้อเสนอเรียกที่เรียกว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ย มันมันมั น, ม, นมันชัดเจนขึ้นมาจากแกนนําแล้วมาพ้องกับปัญหาของชาวบ้านฮะปัญหาของประชาชนอีกหลายหลส่วนที่เห็นว่าเออมันต้องเปลี่ยนกติกาคันข น, นานใหญ่นะครับถ้าเราเข้าใจปรากฏการชัดอย่างนี้เนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องท้าทายว่ามันมีเรื่องท้าทายอีกเยอะครับการปฏิวัติของประชาชนแบบนี้ที่ลุกฮือกันแบบเนี้ยมันประชาธิปไตยแค่ไหนอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเนี่ยต้องอธิบายครับไม่งั้น ผมเจอฝรั่งคนหนึ่งที่เขาแวะเข้ามาในบูธที่ที่แถวปทุมวันแล้วก็ถามและคุยกันเขาบอกว่าที่ทำกันอยู่นี้มัน against the rule of law คือมันมันไม่ใช่กลไกปกติผมก็ถามเขาว่ า, าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการปฏิวัติของประชาชนเราก็ลืมไปเลย14ตุลาไม่ควรแม้กระทั่งล่าสุดอียิปต์ซึ่งมีการปฏิวัติประชาชนถึงสองครั้งนะครับ โค่นรัฐบาลมูบร巴拉ที่ครองอํานาจมา40 50ปีแล้วพอมีเลือกตั้งนะได้รัฐบาลมอรซีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วไม่สามารถทําตามความต้องการของประชาชนได้คนออกมาอีกแล้วก็โค่นอีกเราจะอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ยังไงครับเราจะเข้าใจมันยังไงถ้าเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วช่องทางอะไรละ่ะที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถ้ารัฐบาล น, นั้นไร้ความชอบธรรมอันนี้คือประเด็นสําคัญที่จะต้องอธิบายแล้วถ้าอธิบายประเด็นนี้ได้ชัดนะครับ เรื่องต่างๆพฤติกรรมต่างๆของเราความคิดอ่านต่ออนานคตของเรามันจะตามมาครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่ที่ฝากไว้สําหรับการคิดต่อนะครับเพื่อที่จะให้การเรียนรู้ปรากฏติการวันนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากจุดมองที่ผมคิดครับงั้นเรนเชิญอาจารย์สมเกียจ ต, ต่อเลยครับต่อขึ้นนาทีครับสิ่งที่อยู่เนื้อที่ครูดออสพูดเนี่ยนะครับผมอยากถามว่าทุกคนว่าครั้งนี้ยาวไหม การต่อสู้ของนี้ของมูลมาประชาชนยาวไหมย า, ย, ายากไหมแล้เขายืนหยัดไหมพวกเราเนี่ยยืนหยัดกันไหมแล้วก็ทุกคืนย่อ ย, ยับแต่ก็ในความย่อยยับก็กล้าใช่ไหมถามว่า น, นี่คือการชนะใจตนเองจากผู้เคยรับผู้เคยหลับเป็นผู้ตื่นใจกล้าใจที่ให้ใจที่ยืนหยัดใจชนิดนี้ใช่ความชนะของตนเองทุกคนไหมครับตบมือให้หน่อยสิครับนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นว่า ประเทศไทยเคยหลับมาแล้วแบมือขอรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยวันนี้ทุกคนตื่นรู้ตื่นตัวตื่นกล้าไม่กลัวแล้วชนะใจแล้วครับแต่ว่าที่รูปแบบทนั้นคืออำนาจรัฐเรายังไม่ได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้ยื้อไวซึ่งผมว่าอีก 3-6 ถึงเดือนนี่แหละครับถึงจะได้มาขอบคุณครับผมเพิ่มอีกนิดเดียวครับเพื่อให้พวกเราคิดเพิ่มขึ้นปรากฏการณ์อันนี้เนี่ย ของการลุกขึ้นมาของประชาชนจำนวนนักบ้าเนี่ยย่อมต้องมีการนำถูกไหมครับแล้วการนำตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของกปปสที่เขานำอยู่และท่านสังเกตไหมครับว่าการลุกขึ้นมาของการต่อสู้ของภาคประชาชนที่มีเวลาสามารถต่อสู้บนท้องถนได้อย่างยาวนานเนี่ยไม่โดนรัฐบาลใช้กลไกทหารมาปราบสังเกตไหมครับ ผมอยากใจะให้เปรียบเทียบนะฮะอาจารย์นิพรพลเคยอยู่ในเหตุการณ์14ตุลารู้เลยแค่สามสี่วันฮะถ้าคุณยังอยู่ในท้องถนนนะสี่วันเท่านั้นเองครับโดน ล, ละยิงไม่เลี้ยงพุทธภาธรมินถ้าใครไปร่วมไม่เกินห้าวันโดน ล, ละแต่ครั้งนี้คุณไม่โดนนะคุณยังไม่โดนอยู่ได้เป็นเดือนเดือนเลย ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยเราจะร่วมกับแกนนาร่วมกับคนชนชั้นนําต่างๆที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวอันเนี้ยแล้วทําให้ดอกผลต่างๆเนี่ยของการต่อสู้ครั้งนี้ตกอยู่กับประชาชนให้มากที่สุดได้ยังไงครับเสียงที่เราเสียงของประชาชนที่บอกว่าเราอยากปฏิรูปแล้วบอกปัญหาของเราเนี่ยจะตรงกับเสียงของ ชนชันอื่นๆในสังคมที่มาร่วมต่อสู้กันกับเราหรือเปล่าและตรงกันแค่ไหนอย่างไรวันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่น้องที่ทําเรื่องปฏิรูปที่ดินมาอย่างยาวนานเสนอพรบรปฏิรูปที่ดินแล้วจะมีการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้ากับเรื่องที่ดินแน่นอนว่าในเวทีการต่อสู้นี้กลุ่มนักธุรกิจที่หนุนการปฏิรูปเห็นด้วยกับการเปลี่ยนกติกาใหม่ๆเนี่ย เขาก็ต้องมีจุดยืนในเรื่องนี้ที่แตกต่างออกไปเหมือนกันผมอยากชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงและทำกติกาใหม่เนี่ยมันจะมีกระบวนการเรียนรู้ต่อรองแลกเปลี่ยนกันครับของคนที่หลากหลายแบบนี้นะฮะที่มาร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่มันถึงต้องเพิ่มความตื่นรู้ของเราให้มากขึ้นในการที่จะส่งเสียงเชิงปฏิรูปเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยกัน ทำสิ่งที่ประชาธิปไตยที่เป็นหัวใจที่สุดคือเรื่องของการร่วมกําหนดชะตากรรมสังคมร่วมกันโดยภาคประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบทวงดุลค้าคารแกนนําก็ได้หรือค้าคารตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังชัยชนะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับที่ถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้ให้ยาวไปตลอดเนี่ย การเรียนรู้ปรากฏการอันนี้ก็จะไม่ชัดเจนนะครับงั้นผมฝากประเด็นนี้ไว้ให้พวกเราได้คิดต่อแล้วก็เดี๋ยวชวนอาจารย์สมเกียรติได้อภิปรายเลยครับสักสินาทีครับอาจารย์สินาทีเลยเหรอโอเยอะนะถามว่ากี่นาทีให้ต้องสินาทีก็คงจะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเผื่อให้ท่านอื่นบ้างหรือว่าถ้าเกิดเผลอก็เลยไม่รู้นะคอยเตือนนะจะจะรักษาเวลานะครับเอ่อ ผมผมจะ พ, พูดสองประเด็นละกันนะครับ อ, อันที่หนึ่งก็ที่ทุกคนห่วงมันจะจบยังไงนะฮะอันที่สองเป็นเรื่องปัญหาความขัดแยง้งวิธีคิดของครอบครัวเรื่องนี้อย่าพูดมากหน่อยใน่านะครบอบครัวเล็กๆนะมันจะจบยังไงเนี่ยวิธีคิดของผมก็อย่างที่พูดตั้งตต้นนะครับคือผมอ่านหนังสือโลกสวยอ่านประวัติศาสตร์โลก อ่านอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เดือนหนังสือแล้วนะครับแล้วมีหนังสือปร ะ, ปร ะ, ประวัติศาสตร์โลกปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในห้องสมุดก็อ่าน เ, าเพื่อเช็คดูว่ามนุษย์นี่มันทะเลาะกันยังไงไปทางไหนนะครับเพราะฉ <S <s ผมไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดในเมืองไทยเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่โลกไม่รู้จักนะครับฝร <s> ั่งก็อาจจะวิจารณาเราบวกบ้างลบบ้างแล้วแต่ว่าเขาจะอ่านหนังสืออะไรหรือว่าอยู่ในสังคมอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเห็นอยู่ที่เมืองไทยตอนเนี้ย เป็นปรากฏการณ์ที่ผมเห็นมาแล้วในหนังสือในประวัติศาสตร์ซึ่งก็ถูกด่าอยู่เรื่อยว่า <_ ca i> มึงเอาแต่อ่านหนังสือแก่แล้วไปเลี้ยงหลานก็นจะด่าผมเนี่ยนะพกแสดงก็จะด่าผมอย่างนี้นะไม่ว่ากันฮนะเพราะนั้นผมผมก็มีคําตอบอยู่แล้วนะครับนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่ว่าจะประเทศใดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยลองไปอ่านดูเถอะท่านอาจารย์ที่สอนเด็กๆเนี่ยลองยกหลายๆประเทศลองไปอ่านดูแล้วก็จะเห็นสงครามกลางเมืองจะเห็นความขัดแย้ง ที่เราทํานี่ยังไม่มีสงครามกลางเมืองนะเป็นความขัดแย่มีการประทะต่อสู้ไม่ไม่ยังไม่ถึงซิมบิววอร์มีตัวอย่างเยอะมันจะคลี่คลายได้ดีกว่านี้โดยสันติถ้าทุกคนอ่านประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆแ ล, ล้วเรียนหนังสือพูดง่ายๆคือระบบการศรึกษาเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยดีขึ้นก็มันไม่มีการศรึกษานะมันก็เลยทะเลาะกันเท่านั้นเองไม่อ่านธรรมะไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าวัดไม่ถามพระเพราะฉะนั้นผม คำตอบของผมตอนนี้มันมาจากการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกตอนนี้ท่านมีสมณศักดิ์เป็นรพระรพระมคุณาพรทำหนังสือไว้เรื่องาเรียกการานุกรมก็คือ historical timeline นั่นแหละมันจะมีเส้นทางของประวัติศาสตร์เราไปอ่านด้วยแล้วกันแล้วก็จะเข้าใจบทสรุปของผม ข อ, ขออภัยที่เอาคำปราศัยมาลากว่าเป็นคำภีร์ไม่ใช่นะครับเพื่อให้ท่านรู้ว่าผมคิดยังไงก็คือว่าตอนท้ายของบทปราศัยของผมเนี่ยจะซ้ํากันทุกครั้งไปเพิ่งขึ้นสองครั้งอ่ะแต่ย่อดหน้าสุดท้ายจะอันเดิมถ้าสังเกตให้ดีนะครับอันนี้ผมตั้งใจว่าเป็นจุดยืนของผมมวลชนจะได้เข้าใจผมจะขึ้นเวทีปราัยอีกสักครั้งสองครั้งแล้วแต่ที่เขาประสานมานะครับครั้งต่อไปที่เตรียมไว้ก็ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษพูดกับฝรั่งนะครับแต่ว่าอาจจะเลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องมัติชนกับหนังสือ c o n v e r s a t วิทักษิลปทะเลาะกับผมอยู่เพราะฉะนั้นผมอ่านกําลังอ่านฉบับภาษาไทยซึ่งได้มาแล้วเามื่อวานมีคนเอามอไซค์มาให้เลยแล้วก็ผมจะเปรียบเทียบว่ามัติชนตัดอะไรทิ้งไปในฉบับภาษาไทยซึ่งมีหลายคนได้อ่านแล้วบอกโอ้โหสนุก ม, มากนะผมยังไม่ได้อ่านฉบับภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ประชาชนได้เห็นว่า เขากลัวอะไรที่เขาพูดแล้วไม่อยากให้คนอ่านแล้วมาทีชนกับอาจารย์สุร น, นันท์เวชจีวะผู้ผู้แปลกมาที่ชนร่วมกันตัดทิ้งคิดว่าคนไทยไม่อ่านภาษาอังกฤษนะฮะก็ทำนั้นเองคนไทยอ่านภาษาอังกฤษกันเยอะแยะแล้วนะครับนั่นก็จะทำไปสองครั้งแล้วก็ถ้ามีคนจําเป็นแล้วคิดว่าร่วมมือได้ผมร่วมมือทุกทุกเรื่องแล้วแต่ทีมของคุณสุเทพจะบอกเพียงแต่ว่าผมจะพร้อมหรือไม่พร้อมจะรูปพอไหมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าท่อนสุดท้ายผมจะจบอย่างนี้นะครับ ท่านคงจำได้หรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ว่าถ้าฟังบ่อยๆจะเพราะว่า ช, วช่วงท้ายผมจะกอฟปีเดิมคื อ, อสำหรับมวลมหาประชาชนที่ต่อสู้มาเข้าเดือนที่สซึ่งอาจจะเป็นเดือนที่8ถ้าถ้ายาวไปก็จะเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะจบเร็วจบช้าก็ได้ทั้งสิน้นแต่ต้องจบเป็นชัยชนะของประชาชนแน่นอนนะครับ เพราะเหตุผลในการต่อสู้เพื่อสร้างชาติสร้างแผ่นดินของมวลมหาประชาชนครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ชอบธรรมมีเหตุผลสมบูรณ์เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกในนี้มันจะมีหลายวลีนะอันที่หนึ่งก็คือต้องชนะไม่มีวันที่จะแพ้ครับตามหลักรัฐศาสตร์คือถ้าประชาชนจะเอาอยัางไงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีทางอื่นนะเอาดีก็ได้เอาไรก็ได้นะครับแต่ต้องคําว่าประชาชนต้อง represent ประชาชนหรือมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริงผมจึงคิดแล้วหลายคนที่เป็นหนุ่มสาวอยู่หลังเวทีก็คิดว่าเอออาจารย์ถ้ามันยาวไปมันจะดีนะเพราะว่าหลายคนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเริ่มมามากขึ้นครอบครัวที่ทะเลาะกันเริ่มเคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็มันต้องชนะถ้าประชาชนต้องการชนะมันก็ชนะครับนะฮะเหตุผลในการต่อสู้มันเป็นเหตุผลในการต่อสู้ที่ชอบธรรม ผมมีความมาสองเดือนแล้วเหตุที่ต่อสู้เนี่ยชอบทำไม่ต้องลงรายละเอียดหลายท่านพูดแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยที่พูดบนเวทีในเรื่องเหตุและผลขอ ง, ของการปฏิรูปจะไม่ชอบทำแม้รายละเอียดเราจะเถียงกันแล้วยังไม่มีมากก็ตามนะครับมีความชอบธรรมที่จะล้มสิ่งที่ไม่ดีนะฮะมันก็ต้องสู้สิแล้วมีเหตุผลทั้งหมดเนี่ยคอมพลีตคือสมบูรณ์คือจะสร้างสังคมประชาธิปไตยนะหรือ democratic society ที่มัน complete Complete คือสมบูรณ์คำนี้มันอาจจะแบบหลายคนก็บอกไม่มีคนที่ด่าผมกลับมาบอกไม่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผมบอกมีแล้วแต่นิยามเพราะว่าในงานวิจัยของ Economic Intelligence Unit เนี่ยมันจะมีหน่วยวิจัยของ e c o n o m ิส t นติยาศาสตรที่ยึดติดโดยใช้นักวิจั ย, จยเป็นร้อยคนเนี่ยเขาจะออกมาเป็น Democracy Index ทุก ป, ปีครับแล้วก็ประเทศที่ประชาธิปไตยสมบูรณ์เขาเรียกว่า Complete Democracy มีอยู่ประมาณ 20- ่0ประเทศมีครับ หมายความว่านิยามนั้นต้องตรงตามหลักวิชาการและวิจัยแต่แน่นอนนะพูดในเชิงนำมาทม nothing is very complete ไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์บนโลกมนุษย์ใช่ไหมมันย่อมมีขาดตกบกพร่องแต่ว่ามันจะต้องมี index ็วัดว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเดโม c คร c ซีที่ complete อย่างนี้เขาเรียกว่า hybrid คือลูกผสมไม่เต็มใบอย่างของไทยเนี่ยเรียกว่าเรียกว่า f l a w ์เดโมแค F L A W E D อันนี้เป็นหลักวิชาการวิจัย ของสำนักวิจัย Economist Intelligence Unit ที่ลอนดอนนะครับก็แปลว่าเป็นประเิศไตยแต่มีข้อบกพร่องเราต้องการคอมพลีแเราก็ไปดูพูดเป็นนักวิชาการไปดูอินเด็กซ์มันว่าตรงไหนที่เราขาดนะแล้วผมก็ไปดูงานวิจัยที่ออกมาเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งของ world economic forum ว่าที่มันขาดประเทศไทยก็คือว่า political leader เนี่ยขาดความน่าเชื่อถือผู้นาทางการเมืองอยู่อันดับที่ร้อยกว่าของโลกอะ่ะที่น่าเชื่อถืออยู่เกือบ ต่ำสุดในอาเซียนแปลว่านักการเมืองไม่น่าเชื่อถือก็แก้ตรงนั้นแล้วยังมีเรื่องคอร์รัปชันอีกตระมาณสี่หอินเด็กมีเยอะครับไปอ่านดูแล้วก็แก้ตามนั้นนะครับ <c oughs> นะฮะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องมีเหตุผลที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเหตุผลก็ดีสมบูรณ์ประชาชนก็ เห็นว่ามีความชอบธรรมในการออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องสําเร็จอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมแต่ผมคิดว่ายาวนะหลายท่านก็จะบอกว่ายาวนะฮะยาวอาจจะยาวหลังเพราะกระบวนการการศึกษาเนี่ยเหมือนหัวข้อที่โรงเรียนรุกกระรุนใช้ในวันนี้ดีมากเลยเป็นกระบวนการเรียนรู้และไม่จบสิ้นโอเคนะครับนะะประเด็นที่2 ท, ที่ที่เห็นท่านห่วงใยกันมากแล้วมีหลายคนถามเราก็ว่าผมจะมีคําตอบที่สุดยอดเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่นะครับถ้าตอบแบบนักรัฐศาสตร์ ในบ้านผมก็มีแค่สคนพ่อแม่ลูกค่องชั่วหน่อยทะเลาะกันน้อยนะครับเพราะว่าภรรยากับผมก็โอเคเหมือนกันถ้าผมไม่หาพี่เมียคือพี่สาวภรรยาก็ทะเลาะกับแกแน่นะครับเพราะว่าแกก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับพี่เขยมั่งไม่ค่อยเจอกันนะครับแต่เจอกันผมก็พยายามอธิบายส่วนลูกชายผมเนี่ยก็อย่างที่บอกเหมือนพวกเราอายุอาจจะมากกว่านิดหน่อยเพราะเรียนจบหาไรแล้วนั่นก็คือเป็นพวกศตวรรษตที่ยีอิสระผมก็เลี้ยงลูกแบบศตวรวัที่21ก็อิสระ ลูกชายผมเนี่ยมีความไม่พอใจว่าความหยาบคายบนเวทีกับการกล่าวร้ายผู้อื่นที่ไม่ใช่พวกมวลมหาประชาชนไม่ชอบ2ประเด็นนี้กับเพื่อนๆที่จบนิเทศวราสวราสารธรรมศาสตร์แล้วก็พวกมหิดลก็มีหลายที่นะฮะแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยทุกประเทศเพราะว่าเป็น อ, อะไรเป็นเรือเยาวชนเป็นสมาชิกเรือเยาวชนเอเชียคเนะ่อยู่มหาลัยเนี่ยได้ไปสมัครและได้เป็นสมาชิกเรือเยาวชนเพระยังมีเพื่อนในอาเซียนอีก รวมอีกญี่ปุ่นด้วยนะครับและอาเซียนเก้าญี่ปุ่นหนึ่งก็เป็นเซฟเพราะมีเพื่อนเป็นร้อยที่เดินทางไปมาหาสู่ไปนอนบ้านเพื่อนแล้วก็ Google Se ซเชีคุยถามพราะฉะนั้นเขากลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยเฉพาะกลุ่มที่ผมรู้จักคือเพื่อนของลูกเนี่ยกับลูกเนี่ยไม่ชอบความหยาบคายไม่ชอบทักสินไม่ชอบระบอบทักษินไม่ชอบความหยาบคายของระบอบสุเทพบนเวทีไม่ชอบการที่ขึ้นเวทีแล้วกดาลพวกนี้มัน ลกสวยนะด่าพ่อกูด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบที่เมื่อไม่เข้าควกก็โดนดา่านะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเอ า, เอาพูดบนเวทีเหมือนกันแต่อ้อมๆจะไม่บอกว่าลูกผมสั่งมาให้พูดนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมแล้วแล้วลูกผมก็บอกว่าพ่อดูทำไมบลูสกายผมอธิบายพ่อพ่อจะไปไปบนเวทีพ่อไปทำไมเดีย๋ยวมันก็เดือดร้อน <c oughs> เป็นเสรีภาพของพ่อ คือคือลูกก็มีเสรีภาพใช่ไหมก็คือว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยครอบครัวเราก็ต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ที่เราเถียงกันเนี่ยคือเราหายเหตุผลที่จะเข้าด้วยกันหรือความคิดเห็นแตกต่างแบบสงบไม่ได้เพราะเราไม่ไม่หาความรู้เท่านั้นเองผมก็อธิบายว่าพ่อเนี่ยมีเดียลิเทเรตเพราะว่าพ่อโตแล้วพ่อเป็นสื่อพ่อจะดูบูสกายเรารู้ว่ามันดีมันเลวนะไอ้ที่เลวพ่อก็ว่าคุณ ถ้าเกินเขาเขาเป็นพอ อ, อพ่อรู้จักคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นอนี้ไม่ดีพ่อติได้ SMS message ได้แต่พ่อจะขึ้นเวทีพ่อตัดสินใจแล้วว่าจะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จบเสร็จแล้วก็ลูกชายผมก็ไม่ใช่เกลียดชังอะไรผมนะครับเมื่อ2วันนี้ตอนนี้เขาอยู่อเมริกาเท่าที่เล่าคือไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เขาก็ใน a c e b o o k เขาก็เกพื่นพนพนอนๆเขาบอกว่าเฮ้ยพ่อยูเจงว่าพูดอะไรเขาชอบกันใช่ลูกผมก็ก็ เฟซบุ๊กบอกว่าคือเขาไม่ได้เห็นด้วยกับผม 100% เาบอกว่าโอ้ยไอเรื่องแบบนี้รู้จักทั้งเด็กแล้วตอนที่เขามายึดรถก็ก็จำได้5้าเซ็งคือหมายวาผมออกจาก ITV แล้วพวกคุณทักเสียรถคืนน่ะนะครับที่ผมเล่าบนเวทีรถแบบ2ล้านกว่า v o ล์โวเเนี่ยนะครับป้ายแดงเนี่ยผมไม่กล้าขับด้วยเพราะว่ารถป้ายแดงจะไม่มีวันขับเพราะขับที่ไรชนทุกที <c oughs> ไม่ได้ขับเลยอะ่ะ พอลาออกปุ๊บรุ้งขึ้นมันมาเข้าประตูรถคืนเลยอ่ะระบบทักสินนะลูกชายบอกห็าหัวเราะฮาแล้วก็แต่เขาเขียนบอกว่ากูกินนอนกับผู้ชายคนนี้มา23ปีนะถ้าอย่างไงก็ข้ามศพกูไปก่อนว่าอย่างนั้ น, นครับเพราะฉะนั้นมันก็ก็แปลว่าครอบครัวรักกันอยู่ยังรักกันอยู่แต่ความคิดไม่เหมือนกันนะ ก็อยู่กันได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีข้อมูลเราอ่านหนังสืออ่านเราถกเถียงว่าเหตุผลเราทําไมชอบทางนี้เพราะวิวธีคลีคล่คลายปัญหาเนี่ยผมว่าจะพูดกับหลายคนไม่รู้ทฤษฎีนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็คือว่าก็หาความรู้มาสู้กันว่าทําไมจึงชอบทําไมจึงไม่ชอบแล้วก็นั่งเถียงกันถ้ายังตัดสินไม่ได้ก็ไม่เห็นมีปัญหาเพราะว่าเราทะเลาะ ก, กันเรื่องคนอื่นคนอื่นนะ่ามันรวยกับเราตั้งด้วยนะมันรวยกับเรา เราทะเาะเรื่องกำนันสุเทพกับที่ดินอะไรนะหนองแพงอะไรเนะี่ยแลเขาแพงนะก็เป็นเรื่องคนอื่นเราชอบหรือไม่ชอบคนอื่นเราทําไมจึงจะมาเกลียดคนที่รักกันมาตั้งแต่แบบเสียค่าแหวนเพชรอุตลุดแล้วก็งานเลี้ยงแบบพวงมาลัยถ่ายรูปลักกันแท้ๆนะแล้วแล้วแล้วภรรยาเราไปชอบคุณนักษิณได้ยังไงไม่เคยนอนกินข้าวด้วยกันก็ไม่เคยนะครับอันนี้จริ ง, รงๆเลยนะครับซีเรียสคือหาข้อมูลความรู้แล้วไม่ทะเลาะกันนะครับอ่า ในสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยเขาทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วก็จบคือไม่ได้ตีกันแล้วไม่ได้เกลียดกันเขทาทะเลาะกันว่าโอบามากับจอร์จบูชหรือว่าอะไรเป็นยังไงแล้วเนี่ยฮิลารีจะมาย่งเถียงกันบ้านติดกันนะเพราะผมยังมีเพื่อนอยู่ในอเมริกานะฮะถึงเวลาก็แคมเปญแล้วก็ถือป้ายเพราะฉะนั้นมันก็จบก็จบนะฮะเพราะว่าเราทะเลาะกันเรื่อง1บุคคลคนอื่นที่เราชอบหรือไม่ชอบสอง คนอื่นที่มาปกครองแทนเราเพราะเราสั่งให้ไปปกครองถ้าชอบไม่ชอบเดี๋ยวก็โหวตก็จบแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องโหวดมันมเป็นเรื่องที่เรชอบหรือไม่ชอบที่จะเปลี่ยนประเทศแบบคุณทักษิณกับกปปวศก็เอาข้อมูลมาแล้วมานั่งคุยกันนะไม่ต้องทะเลาะกันผมคิดว่ามันก็มันก็แค่นี้แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดต้องเป็นระยะยาวคือหนึ่งเจเนอเรชั่น เรียนหนังสือปรับหลักสูตรการศึกษาให้ระบบการเรียนการสอนเนี่ยเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือปรับหลักสูตรถ้าคุณทําได้12ปีในการเรียนโรงเรียนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครประเทศไทยในอนาคตนะเพราะว่าเราต้องทะเลาะกันทุก4ี่ปีเป็นประจําเพราะว่ามันต้องอวกันทุก4ปีแล้วเดี๋ยวมันจะมีอบตอบจ อ, อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็การศึกษาเท่านั้นจะทําให้เราเข้าใจในการสร้างสังคมประชาธิปไตยนะครขอบคุณครับ อาจารย์ประพาพัฒกับเท่าที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการชักชวนพวกเราให้กลับมาตั้งหลักที่ตัวเองให้มากกว่าที่จะไป เ, เพ่งดูข้างนอกนะกลับมาตั้งหลักที่ตัวเองแล้วก็ประชาธิปไตยมันเกิดตรงนี้แหละ ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอํานาจของแต่ละคนที่จะใช้แต่คุณจะใช้มันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องชี้ขาดจริงๆเหมือนอย่างที่จะสมเสังเกตว่าว่ายังไงประชาชนก็ต้องชนะแต่มันจะชนะอยู่แบบไหนอนะความต้องการของประชาชนเนี่ยยังไงมันก็เป็นตัวชี้ขาดแต่มันชี้ขาดแล้วมันไปทางไหนอะ ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตที่มันรออยู่ไม่ช้าไม่นานนะแล้วเราก็ต้องรีบปรับตัวแล้วก็ปรับโหมดวิธีคิดวิธีการที่เราจะอยู่กับปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาดั้งเดิมที่หมักหมมอยู่เนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะแม้แต่ปัญหาการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยมีคนคิดง่ายๆเลยะนะ เป็นระด um, ับผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเนี่ยก็บอกว่าวิธีแก้ปัญหาการศึกษาที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือปิดกระทรวงศึกษาซะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกท่านให้ว่าไอเดียท่านมีคนเชียร์เยอะนะ เนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเกมนี้ก็จริงแต่แล้วประชาชนจะลากไปยังไงต่อล่ะแล้วเราจะยังคงใช้พลังของเราเนี่ยไปเพื่อช่วยให้เชฟอัพคําตอบต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในอนาคตอันใกล้นี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนับอยู่ตลอดเวลาโจทย์นี้ต้องเป็นโจทย์ของเรา ไม่ใช่โจทย์ที่เราไปรอว่าเดี๋ยวก็จะมีผู้แทนของเราไปจัดการเรื่องนี้มันก็จะเข้าอีหลอบเดิมทันทีนะคะเพราะฉะนั้นดีไซน์ตรงนี้ดีไซน์ใหม่เนี่ยนะว่าแล้วเราทั้งหลายที่ว่าเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของประเทศเนี่ยจะเข้ามาทำงานนี้ต่อเนื่องได้อย่างไรอันนี้น่าคิดมากและสิ่งที่เราเริ่มทำเอาไว้มันจะเริ่มเป็นพื้นฐาน เพราะเราขอเบอร์โทรศัพท์ชื่อจริงเอาไว้หมดเรียบร้อยนะใครที่สนใจอยากจะปฏิรูปประเทศขอเชิญลงความคิดเห็นแล้วลงชื่อเอาไว้เราจะมาลองผลักดันดูว่ามันจะดีไซน์อะไรได้บ้างนะคะเพราะนั้นเรื่องข้างหน้าเฉพาะหน้าตรงที่ว่ามันจะเกิดความรุนแรงอะไรๆเนี่ยพวกเราก็ต้องอดทนใช่ไหมอาจารย์สมเกียรติเนาะมันต้องใช้สูตอดทนอย่างเดียวอดทนอย่างเดียวเลย แล้วก็อย่าไปมีอารมณ์กับมันมากนะยังไงในประวัติศาสตร์โลกมันก็สอนเราอยู่แล้วว่าเราต้องผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มนุษยชาติเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะยกระดับมนุษยชาติให้ดีขึ้นโดยประเทศไทยเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องรีบคิดโจทย์ข้างหน้าเร็วๆหน่อยเราต้องดีไซน์วิธีการทําโจทย์ด้วยกันเราไปปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งทําแทนเราไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด ไม่งักก้นปิดกระทรวงศึกษาไม่สำเร็จนึกออกไหมนะะมั่นค่ะมีอยู่คำหนึ่งที่ติดปากคนไทยมานานมีอะไรก็ไม่เป็นไรพูดกันมาหนาเลยนะเรื่อมีอะไรไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เราจะให้เปลี่ยนคำไหมฮะอาจารย์เสนอคำใหม่ไหมฮะมีอะไรก็เป็นเรื่องของเราใช่ไหม แทนที่จะไม่เป็นไรมีอะไรก็อเอาด้วยมีอะไรเอาด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีแววว่าเราน่าจะไปได้ดีแล้วก็ในโลกนี้เขาก็ไม่เชื่อนะว่าวิธีการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อาจารย์คิดว่าเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าเราอยากจะพิสูจน์เราต้องลงมือทำด้วยกัน นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งให้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะปฏิรูปอย่างไรนะคะขอพ่ะคุณค่ะอยากจเสิร์ประเด็นว่าความจริงเราปิดกระทรวงสามาแล้วเนี่ยลุงวรวนี้ก็ปิดมาแล้วด้วยการกระทําต่างกระทรวงสาใช่ไหมด้วยการไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันของทั้งโลกและของกระทรวงใช่ไหม ด้วยกันใช่ไห้ฮเราปิดมาแล้วเราปิดด้วยกระบวนการทําด้วยเราเองแล้วผมก็ตั้งหมหาวิทยาลัยโดยไม่ข อ, อขอหลักสูตรแต่เราการเรีย น, นการสอนเราทําเองเอาความจริงมาสอนกันมันอยากอุ้ว่าเราปิดโดยสมมุติหรือปิดโดยใจคือเอาใจออกมาทํากันมาเรียนรูปแบบนี้ยวันนี้ก็เป็นการห้องเรียนใหญ่นี่คือการปิดกระทรวงศึกษาครับนี่ผมขอถามขอถามนันี่มีส่วนร่วมทั้งออกประเทศไทยทําอย่างไรจะรักษาโมเมนตัมในช่วง3เดือนเปลียนผ่านให้ได้ แล้วสองทำยังไงให้โมดเมมตั้มของคน5้าล้านสิล้านเนี่เคลื่อนทั้งแผ่นดินครับวันนี้การปฏิรูปเนี่ย เ, เราสร้างครอบครัวทดรุ่นพ่อนะครับเราใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดถึงเท่าไหร่ครับรุ่นพ่อรุ่นแม่จนลูกจบใช่ไหมอย่างน้อยร่วม50ปีใช่ไหมครับวันที่ลูกจบเหมือนวันนี้ผมลูกสองคนจบแล้วผมสบายแล้วแต่อย่างน้อยเราต้องสร้างคนด้วยหนึ่งอย่างน้อย50ปีของพ่อแม่ถามว่าสร้างชาติหรอครับตอนนี้ประเทศไทยต้องสร้างใหม่หมดเลยทุกเรื่อง ถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไรครับย้อนไปดูประวัติศาสตร์อยุยาพังสองคางบ้านผมทุก200ปีครับแล้ววันนี้รัตะนาโกเศนก็สอ0ร้อกว่าก็พังพินาสนตโลถามว่าจะสร้างบ้านไหมกว่าต้องใช้คนอย่างน้อยสองรุ่นใช่ไหมครับถึงจะได้200ปีแล้วรุ่นที่3ก็ทำพังองีกแล้วเราคือคนรุ่นที่เห็นความย้อยยับแล้วก็ถ้าส่งให้รุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งไม่ได้รุ่นสองก็จะไม่พังนาก็ตามขี้ข้าแอาฟริกาไป อ ย, อย่าอาเซียอะไรที่โหล่แน่เพะฉนั้นถ้าเราจะสร้างชาติจากวันนี้จะรีสตาร์ทเนี่ยต้องคิดถึง3รุ่นอย่างน้อยเพราะว่าศาสตร์บอกแล้วว่าเราล้มทุก3รุ่นเลยทุก200เราลม้มนี่นี่คือประเด็นที่1 น, นะครับว่ามันยาวมากแล้ว14ตุลามาพุทธสภาจะินโทษนะครับมารัฐธรรมนูนเสร็พวกผมเคลื่อนไหวเสร็จร่างรัฐธรรมนูนกับแบร์เนี่ยก็บอ๋อยเสร็จแล้วเราดั้งกลับมาเป็นทํางานกันให้หน้ากันเมืองไปว่ากันวันนี้กูจะร่างแล้วกูจะทําครับใช่หรือไม่ รัฐมนุน40เราล่างเองแต่เราได้เรียนรู้ว่า14ตุลาเราเราไม่ได้ล่างเราค้าน40เราล่างเองเป็นเรื่องสิทธิทชุมชนแล้วปี50วันนี้เราต้านรัฐสภาได้ต้านกฎหมายได้วันนี้เราล่างกฎหมายนั้นเรียกว่าตั้งรับวันนี้มีการล่าง4กฎหมายผมรู้กฎหมายที่หนึ่งคือพลบจัดการตนเองพลบล่างโดยประชาชนดังนั้นพลบทีท่2คืออะไรครับคุณได้ทําให้กับ น, นักการเมืองกับพวกเราทั้งประเทศกําลังดันโดยอาศกเข้าไปวันนี้ส่งแฟนให้ผม เรื่องคุณธรรมของจริยธร ร, รรมอาจารพีก็ทราบเรื่องเรื่องที่สคืออะไรครับเป็นกฎหมายตั้งรับคือไอ้นักการเมืองจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกเพว่ากันแล้วแ ต, แต่แต่ต้องมีกติกาใหม่พรบสาตัวแล้วนะครับพรบตัวที่4ี่คืออะไรครับเรื่องตำรวจซึ่งฆ่าเราทุกวันนี่แหละครับเรานั้นสี่พรบวันนี้ล่างโดยประชาชนหมดครับอาศัยหน้ากฎหมายอิสระอาจารย์จารย์มันเจออาจารย์จุฬาจารย์นรสมาที่เห็นว่าวันนี้เราล่างกฎหมายเองได้ถามว่าเราชนะรัฐสภาได้ไหมมิกี้ บัวออสบอกแล้วชนะไหมที่เราต้านกฎหมายนิรโทษกรรมได้ไหมครับไอ้ห้าเอาไปหมดเลย400กว่าสอวสีคนเพื่อนผมพี่ประสานรุ่นพี่ผมโฆษณาเจอเมื่อคืนก็ทำอะไรไม่ได้มันพิสูจน์แล้วว่ากฎหมายที่ออกจากรัฐสภาไม่ใช่เป็นคําตอบให้ประเทศถ้ารัฐสภาเพี้ยนทุกคนทราบดีวันนี้เราทํากฎหมายต้านได้ถามว่าทํากฎหมายลุกได้ไหมครับ4ี่ฉบับนี้กำลังเคลื่อนกันครับก็คือร่างโดยประชาชนทั้งประเทศเหมือนสมัยร่าง40 ร่างรัฐธรรมนูนแล้วใช้ฉันฐานนุมัดครับไม่ใช่500ยไอ้ห0านี่เป็นความหมายไม่ดีไอ้โจนห้าร้อยไอ้อะไร500เนี่ยเป็นทางลบเพรานเราจะร่างให้คน5ล้านขึ้นไปอย่างน้อย50ล้านบอกว่าเราอยากมีสิทธิ์กฎหมายนี่อย่างไรแล้วไปย่อเป็นจังหวัดอีกล่างทางประเทศแล้วกระจายอํานาจด้วยแล้วมาแก้รัฐธรรมนูนกันเพราะนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งครับเราจะร่างรัฐธรรมนูนด้วยตัวเราไหมเราร่างเสร็จเราจะลุกขึ้นมาไหมประเด็นที่หนึ่งนี่ยุทธศาสตร์นะครับ ไม่ใช่อำสายอำนาจรัฐสภาสุดท้ายครับใช้การมีส่วนร่วมอำนาจคือพลังการมีส่วนร่วมอย่างห้องนี้หรือ5ล้านคนที่เราเห็นนะครับแล้วก็ไปปิดล้อมรัฐสภาคุณต้องต้องเอาไอ้ห้าตัวต้องเอาตามกระแสใช่ไหมครับนี่จะนยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะครับร่างกฎหมายใหม่ด้วยภาคประชาชนแล้วนี่คือการปฏิวัติภาคประชาชนครับคือออกกฎหมายสถาปนารัฐทธิป่าที่เราอยากเห็น แม้แต่สภาประชาชนกรางได้ที่จังหวัดผมก็เต็อนว่าเขาร่างได้พวกเราก็ร่างได้แล้วมาเขาเรียกว่ามาสมานกันมาหาชันธานุมัตรร่วมยุทธศาสตร์ที่สองครับไปแวดล้อมรัฐสภ า, าไอ้ห้าร้อให้ได้ไม่รู้มันจะมาโดยวิธีไหนก็ไม่รู้ได้มาเมื่อไหร่ไม่รู้ถึงจังหวัดที่เราทํางานก่อนได้ไปลน ล, ลงก็คือว่าถ้าฟ้าเปิดคอประสได้ก็สี่ตัวผมว่าคลอดทันทีพอเผื่อไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยให้กระจํานาจเห็นไหมครับตอนนี้ จุดที่ขาดคืออ่อนกราวครับคือที่พวกผมเคลื่อนอยู่ว่าทุกท่านอยู่ในกรุงเทพถามว่าเปลี่ยนแปลงยึดพื้นที่50เขตให้เป็นของประชาชนได้ไหมลุกขึ้นมาทํางานกันได้ไหมครับไปวางแผนว่าเขตนี้มันจะจัดตั้งยานจราจรมันติดขัดตํารวจบันเซงรีฮอไอถังเมืองมันเข้ามาไม่เคยปรึกษาพวกกูเลยมึงจะเอาสัมปทานน้ํามันมาเจาะขุดหน้าบ้านกูมึงก็เจาะเลยถามว่า50เขตโดนไหมชาวกรุงเทพโดนไหมครับ โดยและนอนหลับทับสิทธ์ไหมรู้สิทธิ์ไหมใช้สิทธิ์ออกมากําหนดรัฐไหมครับกําหนดล่วงหน้าเลยเราจงต่างจังหวัดกําลังทําแล้วคือมากําหนดว่ากูอยากเป็นอะไรในสิบยสิบปีข้างหน้า2มาแบ่งงานกันทําการศึกษาก็ไปกยกตัวอย่างน้องเนี่ยผมกําลังบอกว่าวันนี้ไปถึงที่ว่าแรงจูงใจของคนในมวลมหาประชาชนคืออะไรเขาจะเคลื่อนอะไรต่อแล้วน้องจะช่วยอะไรบ้างไปศึกษาก็ยังได้ไปทําเป็นห้องเรียนได้เลยเคลื่อนไหวกับรุ่นพี่เขา เพราะว่านี่คือโอกาสของน้องครับเรียนวิชาจริงๆของประเทศเลยแล้วก็จะได้ถึงชีวิตด้วยเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนเราฉั้นอันนี้ห้องเรียนก็เปลี่ยนได้ถามว่าต้องรอกระทรวงไหมเราปิดไปนานแล้วออกระทรวงศึกษาเนี่ยปิดไปโดยโดยกระบวนการครับเพราะเราไม่ฟังมันน่ะมันอยู่กับโลกอดีตแต่โลกอนาคตจะไปอย่างไรจะแข่งกับจีนอย่างไรแข่งอเมริกายัางไงวันนี้เราแพ้เขาเรียบเลยเวียดนามพ่อแม่าเราก็จะสู้ไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษเราอปอบเแบปอแบกถามว่าเราจะรอกระทรวงศามไม่มีทางครับ ขอบคุณครับสรุป3ามยุทธศาสตร์นะครับเอ า, ากฎหมายเพื่อนกฎหมายด้วยตัวเองเรายึดพื้นที่ของไทยของมันใครลักแผ่นดินไหนเขตไหนใครลักจังหวัดไหนเคลื่อนจังหวัดไหนทำได้แค่ไหนตามเท่าที่ทอทอทอทำ ท, ทันทีทำด้วยไครครับกอร อ, อ ก, กูเองกูร่วมกันเองขอบคุณครับขอบคุณอาตารย์าเดกนะครับ ผมอยากจะให้โอกาสกับพวกเราอีกสักรอบนึงครับท่านใดที่ฟังมาทั้งหมดแล้วนะนั่งฟังมาสองสามชั่วโมงเนี่ยคิดยังไงมีความเห็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ขอเด็กๆอาจารย์อาจารย์ประวาภพัฒนในฐานะ <c oughs> อาจารย์อาจารย์สมเกียรติอยากฟังเด็กๆครั บ, <c oughs> บเชิญครับ อยากฟังเจ้าของประเทศตัวจริงระยะยาวก็คือเด็กๆพวกนี้ไม่ต้องถามก็ได้แสดงความเห็นไม่ต้องถามบ่นก็ได้มีไหมเชิญครับสวัสดีค่ะหนูอยู่ชั้นม6ค่ะ ปีนี้ก็อายุ18แแล้วก็โอ้โหพอดีกับเลือกตั้งพอดีเลยก็เลยกะว่าจะเออใช้โอกาสครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตด้วยการไม่ไปเลือกตั้งนะคะก็จากในฐานะที่เป็นเด็กอะค่ะในหลายหลายเรื่องก็อาจจะยังไม่เข้าใจทำความเข้าใจไม่ได้เพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากอะค่ะแล้วก็มันลึก แต่ว่าสิ่งที่ก็เลยอลองไปเรียนเรียนรู้ดูอะค่ะเมื่อก่อนก็เป็นคล้ายๆอย่างที่อาจารย์สมเกียรติบอกอะค่ะเหมือนแบบเราจะวัญหาเราก็แค่เอามาคิดว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเนาะแล้วก็นอนหลับและสบายใจแล้วแต่ว่าพอครั้งเนี้ยค่ะก็มาลองคิดดีๆมันก็ทำให้เกิดคำถามหลายอย่างมากเลยอย่างคำถามแรกก็คืออย่าง เรื่องของการเลือกตั้งอะค่ะที่เหมือนแบบเขาบอกว่าถ้าเราไม่ออกไปก็จะเสียสิทธิ์ทางการเมืองในบางอย่างใช่ไหมคะฟ้าใสก็เลยแบบคิดว่าอา้าวแต่สิ่งที่ฟ้าใสกําลังจะทําอะมันคือการใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไปเลือกตั้งเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่อยากเลือกพักไหนแต่เป็นเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งเลยอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยหลายอย่างว่าแล้วฟ้าใสกําลังทําหน้าที่ของพลเมืองที่ดีคนนึงของประเทศอยู่หรือเปล่า แล้วก็มันก็เลยเป็นคำถามต่อไปอีกอะค่ะเรื่องของประชาธิปไตยเพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้ค่ะทุกทุกฝ่ายอเอาคำว่าประชาธิปไตยขึ้นมาอ้างเยอะมากๆแล้วก็ชอบอ้างว่าต้องยึดจากเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่แต่ว่าคือเคยทำทำงานในห้องเรียนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วคุณครู ก, ก็บอกว่าเหมือนให้โหวตกันว่าอยากทำหัวข้ออะไรแล้วก็ พโหวตแล้วคุณครูก็ย้าอีกทีนึงว่าคิดให้ดีก่อนนะหัวข้อที่อยากจะทําดีหรือยังอย่ามองแค่ว่าแค่คนส่วนใหญ่เลือกอะคะ่ะว่าไทก็เลยเริ่มคิดว่าเอาแล้วถ้าเราต้องการจะปฏิรูปประเทศแต่มันยังมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แต่ถ้าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกมันไม่ดีสุดท้ายแล้วเราจะมีวิธีการยังไงทําให้ประเทศเรามันพัฒนาไปได้ะคะ่ะโดยไม่ได้ยึดแค่เพียงว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรอะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ อาจาสมเกียรติครับมีมีเพื่อนโลกสวยด้วยกัน <laughs> เจอนะครับนักเรียนท่านไหนผู้ชาย <laughs> ลูกชายาคุย <laughs> เจอนะครับมีไหมครับเชิญนะครับนั่งฟังอยู่นานมีอะไรอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองเนาะถ้ามันเป็นประโยชน์ต่ อ, อการนำเสนอให้พวกเราได้ยินเชิญนะครับ อยากส่งการให้พ่อแม่แล้วถามว่จะให้ครูเทศให้อะไรครับวันวาเลนไทน์จะมาแล้วเนี่ยอาจารย์นาเนกเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นคุณครูแล้วอยากรู้ในการเหมือนอาจารย์ขุเกตมันหมดยุคส่งความรักให้เพื่อนให้พ่อแม่เนี่ยมันให้ให้ตัวเองวันนี้แผ่นดินต้องการการช่วยเหลือจากพวกน้องๆถามว่าพี่ตั้งคําถามว่าววาเลนไทน์วันพ่อวันแม่คือวัน วันอาทิตย์นี้ก็ได้หรือจะวัน24มิถุนายนก็ได้อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องทําเองเอาถามสองวันเนี่ยวันวัเลนทายคิดอะไรไว้แล้ววันที่24มิถุนายนต้องทําให้ได้ถามเยาวชนลุงอกรุณเลย ว, ว่าลุ่นกระลุนจริงก็เปล่าต้องตอบครับคิดจากอิสระเลยฝันเลยเชิญครับผมผมงั้นผมเสริมหนู คนนี้นะที่อยู่ม .6 เนี่ยจะตอบสั้นๆในเรื่องเดียวกันรู้สึกเราจะอยู่โลกเดียวกันโลกสวยตะต่างวัยนะฮะก็คือว่าผมไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยผมอธิบายกับตัวเองเพื่อเพื่อจะรู้ว่ามันถูกต้องแล้วคือว่าตามหลักรัฐศาสตร์นะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สมมุติว่ามันมีแบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มันมีโมเดลอยู่เนี่ยทุกคนมีเสรีภาพที่จะไป หรือไม่ไปย่อนบัตรเลือกตั้งถ้ารับนูลเราดีจริงเนี่ยจะต้องบอกว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่ไม่มีหน้าที่จะต้องไปเลือกตั้งเพราะเรามีเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยว่าเราจะให้ความเห็นหรือไม่ให้ความเห็นอันนี้คือสมบูรณ์ส่วนใหญ่ในโลกเขาไม่บังคับแต่ของเรานี้เป็นหน้าที่ผมเป็นสอสอรอผู้ร่างนักทนูปี2อง0นสะครับเถียงคอเป็นเก็แพ้ เขาจะบังคับให้เราเป็นประชาธิปไตยแบบที่ต้องบังคับซึ่งนนี้ผิดนะครับรัฐธรรมนูนที่ใช้อยู่เนี่ยผิดนะครับเพราะนั้นผมก็แฮปปี้ที่ผมไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะว่าผมรู้ประชาธิปไตยที่ดีกว่าที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูนเท่นั้นเองอะ่ะนะส่วนเรื่องการลงโทษเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมมาลงโทษอะไรผมอ่ะผมมีเสรีภาพที่จะไม่ไปเลือกตั้งอะ่ะนะผมใช้หลักแบบอุดมคติอะ่ะเพะนั้นถ้าลงโทษผมผมก็ก็เรื่องของคุณเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ลงโทษก็คือห้ามไม่ให้ผมไปสมัครเเลลืืออกกตตััั้้งงรบ ก็ผมก็ไม่สมัครก็ไม่มีปัญหาเพราะผมก็ไปสมัครใหม่ในเมื่ออยู่ในระบบที่ผมไม่ชอบใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนระบบไงเพราะฉะนั้นลงเท่ากับลงไปแล้วก็รับโทษไม่มีปัญหานะฮะเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ไ ป, ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข <c oughs> ตามที่กําลังสุเทพ <c oughs> ใช้คํานี้นะครับแต่ว่าคําว่าสมบูรณ์อันนี้มันหมายความว่าตามหลักวิชาการเท่าที่มันมีมาตรวัดนะครับให้สมบูรณ์ร้อเซนี่ยถ้าสมบูรณ์ร้อซนะอาจารย์ทั้งหลายฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุดมคติผมผม เป็นคนอ่านหนังสือนะคือถ้าสมมูรณ 100% เนี่ยสมมติเราไปอ่านหนังสือเรื่องยูโทเปียนะฮะก็คือว่าดินแดนที่ไม่รู้มันมีอหรือเปล่านะของเซอร์โทมัสมัวหนังสือเก่านะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นหนังสือที่งดงามอ่านแล้วเพลินสนุกมากเป็นจินตนาการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็คือว่าเหมือนกับเราไปชอปปิง้งรับนูนตามที่ต้องการมนุษย์มีเสรีภาพที่จะไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้นั่นคือประชาธิปไตย ในอุดมคติคือสมมติไม่ชอบระบบนี้โหวตเลยเอาระบบกษัตริย์โหวตเลยเอาระบบะเผด็จการอันนี้ก็คือสมบูร์ซึ่งมนุษย์สมัยนี้ก็จะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตัดสินใจแล้วมีความสุขยอมรับโทษที่ระบบที่เราไม่ชอบนะก็ตัดสินใจไปข อ, ขอแจมตรงนี้ทวยคนเอาตกมือให้อาจารย์หนุนเกียรติก่อนคือที่จริงมันมีโลกอุดมคติะนะ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะมันมีโลกนั้นกับอีกอันคือมันโลกสมมติสมมุติโดยกติกานะสมมุติโดยกติกาเนี่ยกติกานี่เป็นเรื่องสมมุติหมดเลยนะไม่เชื่อลองดูสินะกติกาที่เป็นกฎหมายที่ตัดสินว่าอะไรล่ะสารรับนูญตัดสินแล้วเนี่ยใช่ไหมว่าผิดเนี่ยยังไม่เอายังได้เลยชัดไหม โลกสมมตินี้ชัดไหมเมื่อถูกแล้วสารรัฐธรรมนตัดสินแล้วว่าผิดเนี่ยยังล้มกระดานได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้โลกสมมุติเนี่ยนะบางทีเราก็จะจริงจังกับมันเมื่อเห็นผลประโยชน์บางทีก็จะไม่เอากับมันเมื่อมันขัดผลประโยชน์อ่ะเห็นไหมมันยังมีสมมุติเหนือสมมุติอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงมันมากนะหรือ หรือนะท่านผู้บอกว่าถ้าหากว่าเป็นการปกครองแบบเผด็จการนะแต่ผู้เผด็จการเนี่ยในตัวเขาเนี่ยมีธรรมมาที่ปไตยนะดีกว่าระบอบประชาธิปไตยที่ผู้ปกครองไม่เป็นธรรมมาที่ปไตยเลยเสียอีกจริงไหก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อะไรที่มันเป็น โลกสมมติมากๆเนี่ยดูให้ดีๆแล้วเราอย่าไปติดกับมันนะคะตรงไหนหลีกออกได้ก็หลีกออกนะคะอย่าไปเล่นกับมันจนกระทั่งเรียกว่าเราตกเป็นเหยื่อตกเป็นทาสแล้วขำมากเลยนะที่ลุงกำนันพยายามพูดนะว่ารัฐบาลตอนนี้มันเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำเนี่ยนะเพราะว่ามันฝืนกฎหมายใช่ไหมฝ่าฝืนกฎหมายไม่ทาตามกฎหมายแล้วมีใครเชื่อไห แต่มันเป็นความจริงใช่ไหมที่เขาฝ่าฝืนกฎหมายไม่ทําตามกฎหมายเนี่แต่ว่าไม่มีใครเชื่อลุงกำนันนะลุงกำนันพูดทุกวันเลยจนคอเป็นเอ็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำไม่ใช่รัฐบาลแล้วแต่ไอภาพมายาเหล่านี้มันก็ยังหลอกคนอยู่นะคนก็ยังเออเออเขาเป็นรัฐบาลนะเขาสั่งให้อันนั้นไปทํานั้นเขาสั่งให้ไปทำ น, น, นี้เขาแต่งตั้งคนนั้นเขแต่งตั้งคนนี้ทุกคนก็ยัง โอเคกับอันนี้อยู่เลยกติกานี้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เนาะมันมีโลกสมมุติเนาะกับโลกอุดมการนะแล้วโลกอุดมการเนี่ยเราต้องมาวัดจากในใจเราเองนะเราไปวัดที่คนอื่นยากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะมีผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับเขียนข้อเสนอเรื่องปฏิรูปมา10ข้อ ผมขออนุญาตอ่านสักข้อหนึ่งนะครับเพื่อใ ห, ให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างน้อยเป็นตัวอย่างของผู้ที่คิดอยากจะปฏิรูปประเทศนะครับข้อเขียนนี้มาจากนายอัดตุลาลักษ์กับเด็กหญิงพรพัชตุลาลักษ์นะครับเขียนมาเ็ดข้อข้อที่เจ็ดแล้วกันครับให้ปฏิรูปตารวจอายการให้มีอำนาจแยกจากกันอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และ อายการเป็นอิสระจากรัฐบาลครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อเสนอนี้ก็จะเก็บรวบรวมไว้สาหรับประมวลผลร่วมกับการลงขันความคิดปฏิรูปประเทศไทยนะครับเราใช้เวลามาพอสมควรนะครับแล้วคิดว่าเป็นวรรพิเศษจริงๆที่ที่ผู้ปกครองโรงเรียนลุ่มรุนซึ่งอยู่โรงเรียนมา หลายปีนะครับแล้วก็เห็นเด็กๆ เ, เติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับการทำงานของครูที่นี่ซึ่งพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเอาการเรียนรู้จากประกฏการจริงของสังคมมามาเป็นบทเรียนมาเป็นการพัฒนาสติปัญญาของเราในวันนี้นะครับคิดว่าการเรียนรู้ประกฏการมวลมหาประชาชนจะคงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ มีกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนพวกเราได้สามารถทำในเรื่องของการระดมลงขันความคิดปัจจุบันประเทศไทยขอบคุณอาจารย์สมเกียรติอย่างยิ่งครับที่มาวันนี้ครับการได้คนที่มองครบเป็นองรวมทั้งด้านนอกด้านในทั้งสังคมและครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็เราได้เรียนรู้มากจสีเดียวนะครับ ขอบคุณอาจารย์อเนกครับความชัดเจนของอาจารย์จะช่วยกระตุ้นพวกเราให้เกิดความตั้งใจมั่นครับที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการร่วมกันต่อสู้แล้วก็ร่วมกันที่จะพัฒนาประเทศตามกำลังที่เรามีอยู่นะครับและขอบคุณอาจารย์ประภพัฒน์ครับ อาจารย์เป็นเหมือนสติปัญญาของพวกเราเสมอนะครับในการคิดอ่านผมเห็นอาจารย์ไปมีประสบการณ์ร่วมชุมนุมอยู่แทบจะทุกวันอย่างต่อเนื่องแม้ว่างานเรียนโรงเรียนจะมากอยู่แล้วนะครับแล้วกลับมาทีไรตอนเย้าเช้าก็จะมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยว่าไปเจออะไรแล้วมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์เองนะครับแล้วจนกระทั่งอาจารย์คิดอ่านที่อยากจะช่วยทํางาน ประจุประเทศที่เป็นเรื่องสาคัญในเป็นวราระพิเศษนะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญผู้ปกครองนะครับผมมอบไบทีต่อให้ครับจะทำอะไรต่อเชิญเลยครับในช่วงนี้ขออนุ ญ, ญาตมอบของขวัญก่อนนะครับอาจารย์ครับเอิเวียกร น, นะครับได้รับมอบของที่ระลึกครับ อาจารย์ครับอาจารย์นนอันอันนี้อะไรนะครับอันนี้เป็นทอฟฟี่ครับทอฟฟี่ทอฟฟี่กูชาติกูชาติ <c oughs> อาจารยนท์ เชอเลยครั บ, รบ <Yeah. S 2> จะมีแบบสอบถามออนไลน์นะครับซึ่งสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับจะมีติดอยู่ด้านหน้านะครับเป็นลิงก์นะครับลิงก์แบบย่อหรือถ้าใครมีมือถือที่สแกนได้นะครับก็สแกน QR code นะครับตรงบริเวณด้านหน้านะครับ จะเป็นแบบฟอร์มซึ่งเราสามารถเข้าไปร่วมลงขันความคิดนะครับที่อาจารย์ประภาพัฒน์ได้เล่าให้เราฟังนะครับเรามาแสดงความคิดร่วมกันนะครับเหมือนกับที่เราได้ไปลงพื้นที่นะครับไปไปไ ป, ไปถามสรุปบทเรียนกันมาเราสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดกันได้นะครับด้วยการเข้าไปที่แชร์ฟอร์ไทยนะครับซึ่งเดี๋ยว ใครมีมือถือก็ไปไปถ่ายถ่ายเว็บไซต์แล้วก็เอาไปาโหลดที่บ้านเอาได้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับขอเสียงจากทุกๆคนด้วยครับเชิญครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้แล้วก็ พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะครับมวลมหาประชาชนนะครับและเยาวชนทุกๆ ท, ท่านนะครับขอพระคุณที่ทำให้วันนี้เราได้มาแลกเปลี่ยนกันทำให้เราได้มีความคิดดีๆที่มันที่ได้มาแชร์กันในวันนี้แลวเราทาให้เราเห็นว่ามันยังมีมุมอื่นๆที่เราอาจจะได้เรียนรู้จากประชาชนจากท่านที่เราสามารถที่จะพึ่งพาทางความคิดได้นะครับ นักวิชาการทุกๆ ท, ท่านและก็สื่อมวลชนก็ขอขอบพระคุณทุกๆ ท, ท, ท่านในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอจบการเสวนาในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ <S <S เดี๋ยวขอถ่ายรูปร่วมกันดีกว่าไหมครับครับถ้าใครต้องการจะถ่ายรูปคณาจารย์ก่อนก็ได้นะครับ จะมาถ่ายรูปด้วยกันหรือว่าผู้ปกครองแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนก็ถ่ายรูปด้วยกันดน้ข้างหน้ากันนะฮะ